จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็เชิญเข้ามาร่วมได้ท่านแรกพุทธลมานี้ก็คือเด็กชายพีเคกราบนมัสการครับพระอาจารย์ อันนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าครับไปครับพระอาจารย์มีบีรากรรอะไรไหมอันนี้มีมีรากรรมันมีมีเรื่องอะไรที่แบบเล่าให้พรอาจารย์ฟังไหมมีเรื่องอะไรเล่าไม่รู้หรอลูกอยากจะเล่าอะไรลูกก็เล่าสิไม่มีแค่แค่ช่วยเขาไม่อัานจไม่เคยอ่านเลยในในใ่ในของเ พูดเรื่องอะไรอ๋อเขาบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์ถามว่าเขาสวดมนต์ได้ไหมแล้วเขากโกหกว่าสวดไม่ได้ค่ะวันนี้เขารู้สึกผิดเขาจะมาขอโทษค่ะ อ, อาจารย์เจ้าค่ะอ่อออาขอโทษว่าต้องไม่ทําผิดอยังนะงอืิดครับจิตานั่งเสกันกับอาจารย์อ่านี่จะสวดมนต์ให้ฟังว่า อัลลังค์สมมาสมพุทธภควาพุทธังภควานดังอภิวาเทมิจาเ้าบังค์ค่ตัวพระกวตัตธรรมมองนมองไปทางนุ่นที่ลุกข้ามาขึนมานามส้า ม, มี สุ ป, ะ, ป ะ, ะติปันโนรพระคัวภตับุกันซังโาังกางนัมามิศานามูตัสสะพระคัมภีรตัวลาตูสมาสซมูตัสสะนัมูตัสสะระคัมโีร์ตัวลาตูสมาเซมูตัสสะนโมูตัสสะพระคัวภีตัวลาตูสมาสซมูตัสสะตัว อรห้องสมาุตรบคววิชาจัลันสัมพันวโลกวิถอนตตร์บริสุทธิ์ธรสัทสธตว่านนัติสตตัวาวตาธรมิติก็ว่าลิกเอหิปัสสิกโอปะกปัจจุบัเม่อนับปุูิติ สุปิัโนภะะตสวสิบนภะโตสาวกสังโฆ a าญาปฏิบัโนภะวะโตสาวกสังโฆาิปติบัณโนภะวะโตสาวกสังโฆญจิตตัจตริุริสัยานิอัตุริสบครเอสภะวะโตสาวกสังโฆ หัวยอวบหัวนโยบตาขินนัยอวบอันนี้ต้องร้องอวบนต้อร้งปุลิศแตทั้งภาษาอันนี้ต้องรปุญิศขีเกียตั้งลยก็อาจารกลาชาใช่เก่งมากเลยหัดท่องอาทิตย์เดียวก็ได้เนาะจริงๆเขาท่องได้แต่บางทีเขาขี้เกียจเขาก็จะไปท่องคาถาสั้นๆนะคะพระอาจารย์ได้ได้ได้ค่ะีเนี่ยชัดเจนด้วย พพอพ อ, พอกราบพระอาจารย์เสร็จวันนั้นเขาบอกหนูรู้สึกผิดเดี๋ยวหนูจะขอโทษพระอาจารย์อาทิตย์นี้ค่ะอ่าดีมากอ่พาต้องให้หนูต้องสวดแบบนี้นะโอเคไหมครับ ก, กราบนายมรสกรคารพอาจารย์อ่าจะสวดเพิ่มอีกหน่อยก็ได้นะบทแผ่เมตตาก็ได้นะรับใจอาจารย์พระอาจารย์ฟังทิ้งสับเพลงจัจจาทังหน่อยที่เป็นเพ้นทุกกฎหยาเจตใจด้วยกันทั้งหมดทำส้นเถิด อ่าเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเยี่ยได้มีเว้นซึ่งกันและกันเลยมีความบัจยาบัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถดเยี่ยได้มีเว้นซึ่กันและกันเลยจะได้ไปเยาะบเบียดเี่ยนซึ่กันและกันเลยอ่มีค่ะจงเป็นสุขเสเิดได้มีเว้นซึ่งกันและกันเลยจงไม่มีท like ุกข์ทุกใจเถิอ่าฝากาัง อสุขีปัตตานีปารีหาลันตจงมีความสุขตายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยจังสิ้นเถิดกลางกลางอันอ่าเก่งมากวันนี้เด็กดีวันนี้เด็กดีค่ะแมอวันนี้เขาสัญญาไว้เอเขาอยากจะดีก็เขาอยากจะทําดีเขาทำได้เขาได้ค่ะแล้วแต่บางวันนะแลวแตตกลงรับกัน ก่อนครั uh, พระอาจารย์ไป uh, <bye. S 3> <c oughs> ดี uh. เลยค่ะให้เขาซึมซับทีละน้อยค่ะพระอาจารย์วันก่อน uh. วันก่อนเดินเดินกันแถวบ้านนะคะแล้วเจอขอทานค่ ะ, ะหนูหนูก็หนูก็บอกเขาว่าน้องคุณน้องคุณจะให้ทานเขาไหมน้องคุณบอกว่าจะจะไม่ให้เพราะว่าเขามีมือมีเท้าครบใช่ไหมเขาถ้า <c oughs> <c oughs> ถามหนูถ้าเขามือมีมีมือมีเท้าครบจะแต่จะไม่ให้หรอ ถ้าเป็นหนูถ้าหนูโตขึ้นหนูมีเงินเยอะๆที่หนูไม่เดือดร้อนแล้วหนูก็จะช่วยหมดเลยหนูก็บอกโอ้ดิจังเลยมีความคิด <c oughs> เขาเขาคงเห็นที่บอกว่าพาไปวัดแล้วก็มีคนทําบุญอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเขาอยากช่วยคนอื่นค่ะให้เขาเข้ากลุ่มคนดีคนดีก็ย่อยสอนเขาเรื่องการทําความดีค่ะพระอาจารย์เขาย่อยซับซึมเข้าไปในใจเขา <c oughs> อ่า หนูหนูแบบโอ้หนูฟังแล้วหนูก็ข้อตอนแรกหนูหนูไม่ได้คือมันเป็นขอทานที่เป็นเป็นน่าจะเป็นต่างชาตินะคะพระอาจารย์ไม่แน่ใจเหมือนกันมือเท้าเขาคกเนี่ยแหละค่ะ<ม>ปกติถ้าเจอหนูก็จะแบบถ้ามีก็ให้ถ้าไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้นะคะแต่ลองแกล้งถามเขาถับว่าถ้าเป็นเขาก็จะให้ไหมก็โอ้ถ้าหนูมีพอแล้วหนูมีเพียงพอหนูก็อยากจะช่วยทุกคนนั่นแหละหนูเล้ว่าโอ้ความคิดดีเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะ กับค่ะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรค่ะมากับพระอาจารย์ค่ะโอเคสาธุน้องเลนเด็กชายเลนเด็กชายเลนกรับนะว่าการพระยค่ะน้องเลนกลับพระอาจารย์ต่อลูกกลับพระอาจารย์ค่ะค่ะอ่าส่งกันบ้านพระอาจารย์แลวครับอ่าเลยครับเลยเลยน้องเลนอ่าเลยอมตสั ว่าตัวอะไรตัวสมาร์ทโน a ะ a ส่ในมือะใปะวาตัวอะไรตัวสมาร์ทโนจะใส่ในมือจะใปุ๊บปุะไรหาัวสมาโนัปะาตสมารนอะสมาปุปะกวุปะกตภิวาทมีชูปติปนวะอะะะตสนะสนะก็วะก็ังมติุปุอะหสมาปุะ พี่ชาตรีน่ังวนกกวลก๊ดิันี้เอรู้ไหมสตวทัาชือทลาสตว์แตมน้มองาอะรขงสวนสวาตมันตาที่็ก็อรก็เหสกุบปัญหาอกปาตไม่ด้ต่ผูิมสุวยปะคือตัวสาวก็สงนชูชู้ปิปกษ์ตัวสาวกตัามยาจี่าต่ายปุยายา อยปยอย่ปะิีโปนุโตสวากั้งคนสังข์กันนามาสามีสามีทีิปริบารุกเอาตัวสากั้งคนสังข์กันนามีอย่าทิทางอย่ทิทางจะตายไปุิสเลยอ่ก็อัตชัดพิสอยู่ก็ลาเอหาปลาขาวปลาหูเนยปลหูเนยสังเกตเนยอจระลีกลาเนี่อนตัลังบุญยาตังบุกนักาทิตย สแต่ไม่ตายมุกส่วนไดๆที่ข้าพเจ้าได้การทำข้าพเจ้าของอุทิส่วนกุศลในจำดึกดื่นดังถูกว่าสอชั่วสาเราโลกใสาวคมโนูแล้วสัตว์างไหนเป็นเรื่องสุขแกเจ็ใจแลวก็จงฝวงด่มีแพทด้ี่ยาบ่าไปเีสุกันการกกับจงเล้พจมดสมก่อจนสัเปล่ยนไปแล้พี่ว่าชาสุขเกีรเชาสเกีอนเราเป็นหนรตก ไม่ค้องแก่เป็นธรรมดาต่ลูกคนของแก่ไม่ได้เรามีค่าเป็นธรรมนาระลุกคนชองสิบค่ไม่ได้เรามีขอแกเป็นธรรมารัลุงคนองตายไม่ได้เราครับเราจะพาพาเราของเราจะไรต่องทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องเราไม่จำเป็นของเราเราจะต้องเราพึ่งเราจำนะเรามีจำเป็นจำเหนือเราไม่จำเป็นที่พึ่งอาศัยเราไม่จำเป็นประการ อกันเป็นที่พ่อจะทำอะไรอะไรไปดีหรือว่าเราต่องจับของกานัลถ้ามีคนเลีวยง้าหนอนเลยสรุปแล้วก็ดูป้องเวรจตป้องเวรเจียเส้นหนอนไหมอาหารจับยี้สมมติแล้วดีน้ำเหลือแล้วเสร็จอ่ะน้ำเหลือน้เหลือน้ำเลือน้ำตาล้วเหลือน้ามันข้นน้าตาน้ามาเร็ว น้ำลา ย, ลายน้า ม, มูดน้ำข้าวโพดน้ำมูดมมแล้วหมดไหมยังหมดแล้ ว, ล ว, ลวอ่าหัดตัองทุกคืนนะต้องไว้ให้จดจำในใจทุกค<อ>ืนนะคะอาจารย์บอาากออแล้หนูจะฉลาดหนูจะเก่งถ้าหนูความรู้ความรู้คําร้เหล่านี้นจะทำให้หนูฉลาดทาให้หนูเก่ง ทำให้หนูมีความสุขทำให้หนูไม่มีความทุกข์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอืคนนิ้ก็ท่องได้ค่ะพ่อจาย์อ่าเติร์เลยผมเร็วผูณเล้วฝั่งหนังเนือแอนจอนต้ไมกันบุบโอเคแปลงแมัเลยค่ะน้โมตาตาน้โมต่ะตาอ่ะโตอ่ะสามา ธรรมาพุทธะดังดังเลยลูกโม่โม่จ้าพระารวะอเล่าะอเล่าฮะโอ้โหต่อเร็วเร็อต่อเร็วเร็วไม่ต้องเขินเร็วไม่ต้องเขินอะเร็วธรรมะธรรมาธรรมพุตะจ้าโอเคโอเคทีโคแล้วคนนี้สาวขวบที่คขวบพระอาจารย์เลยดิ อ่าพูดดีๆพูดดีๆไม่ต้องเขินกี่ขวบนะคะสามขวบค่ะค่ะเดี๋ยวนู้หายไปเรื่อยเดี๋ยวนู้นก็เจอค่ะเข้าได้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเขายังเขินอยู่จ้ะค่ะเข้ากับพี่ชายเขาจ้ะค่ะอ่าเดี๋ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพูดนะโยมหนิงไม่ไม่ได้เข้าซูมนะคะแต่ว่าหลานเข้าค่ะโยมหนิงไปปฏิบัติของยุ่วพูดศูนสองค่ะอ่าเดี๋ยวจ้าเขาเอ่อพระอาจารย์ประจักษ์ท่านมาสอนจากรนางเลนังอะค่ะ สอนเอ่อเอ่อคุาเล่เลยค่ะปะปฏิบัติฐานที่สี่ะเจ้คไปปะน้องลีน้เดี๋ยวคุณน้าน้องเลนเข้ากับพระอาจารย์นะคะให้คุณแม่พาเข้านะลูกนะโอเคนะคะนุคุยกับพระอาจารย์ก็อนใจบวกเลขอยู่ใจบวกเลขอยู่ค่ะอ่ะเร็กลับพระอาจารย์เร็วอ่งเร็วเร็วกลลกอนกลบลมาทมาสักการทุคนนอนหลับฝันดีนะอหลับฝันดีน้องเลนพระอาจารย์ ผ่านดีค่ะกลับมบพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ได้ทานแข็งเจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะค่ะไที่จมักับเจีต่อปีนี้จมอยู่ที่จมัเรียนอยู่ชั้นไหนนะอยู่ม .4 ครับม .4 แล้วเจตีอะม .1 ครับม .1 เลยโอเคครับมาส่งันครับโอเค เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้องควนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้องควน <c oughs> ความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดา <c oughs> จะล้องควนความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของจลนใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติด ต, ตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัย เราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุวันทุกวันเถอดอย่าทำบาปนะทำแต่บุญนะบาปเป็นเหมือนไฟร้อนบุญเป็นเหมือนน้ำเย็นนะพยายามทำแต่บุญแล้วใจจะเย็นใจจะมีความสุขครแล้วร่างกายเราเป็นยังไงบ้าง มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืนไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเกา่าเยื่นในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเส็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงน้ำมันข้นน้ำตา น้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำแข็งข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำแข็งข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสร็จน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใสใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้าม เนยน ก, กระดูกกรดูเอนเนื้อหนังปันเล็บขนผมเอ่อันนี้เป็นยาป้องกันไม่ให้มีแฟนนะถ้าไม่ยากมีแฟนก็กินยานี้บ่อยๆครับอถ้าไปบวชเนี่ยต้องกินยานี้ประจําเลยครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเอ okay. มีอะไรไหมไม่มีอะไรครับ เอ okay. เอ่าท่านี้ก่อนนะค<อ>รับกล่าขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอ่าน้ำาทมต่อน้ำาทมเป็นงไงถ้าการนัยีินนสองได้กนละ่าวพรมสกา ร, คร์<อ>ค่ะพระอาจารย์ยังไม่ได้อ่า <อะ S 2> ได้ก็ลองดูสิลูกมองอไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยี น, นกระดูกม้าหัวใจ ต, ตับทางผื่นไตปอด ยืดในกระดูกไสให่สน้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายืนสมองสีสันน้าดีน้ำทสเลน้เหลืองน้าเลือดน้ำเหมือน้ามะน้นน้ามูกน้ำตาน้ำลายน้ำมะเน้ามูกน้าไข่ข้อน้ามูกได้เท่านี้จะขาดไหจะยักลับไม่ได้นอนอยกลับดยนะ ครับจะได้มีสติเ ย, ยนอะๆเวลานั่งสมาธิจะท่องอาการฐานทีสองไปแทนพุทโธก็ได้ <c oughs> เราดูไหมเวลานั่งสมาธิเราท่องไป่เาเราหัท่องกับเดอืูครับอาเวลาจะผ่านไปอย่างรวนเร็วออืครับจะลองดูครับนั่งตอ น, นี้นั่งได้เท้าไหบ่10 <c oughs> นาทีครึ่งครับ10นาทีครึ่งนะ maximum เลยอะเขาตั้งเวลาไว้ค่ะพระอาจารย์ที่สองนาทีครึ่งค่ะพรอาจารย์ก็นั่งหกวันทำไมต้องมีครึ่งด้วยเพราะว่ายังไ ม, ม่นใรจว่าจะนั่งสิ่สนั้นสีเล่าครับอ่าโอเคไม่เป็นไรพยายามขยับไปทีละเล็กทน้อยนะได้ค่ะโอเคนี่ก็ขยับมาเยอะแล้วค่ะพรอาจารย์ค่อยๆขยับค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ให้6นาทีนะ ใช่ค่ะเริ่มต้นใช่ค่ะฮ้าหกนาทีแล้วก็ค่อยค่อยขยับนะคะจัดจนมาตอนนี้แล้วก็สิบสองนาทีขึ้นสติดีขึ้น ส, ต, นสติมากขึ้นแต่ก็ยังนั่งช่วงงหลังช่วงช่วง อ, อ, อาทีตที่ผ่านมาคุณแม่ก็เตือนเขาค่ะว่าหนูเตือนเขาว่ายังนั่งไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแบบยังมีแบบยุกจิกยุกจิกอะไรเงี้งยค่ะก็อย่างว่าก็มีขึ้นขึ้นลงลงคจะจัดวันไหนเข้าข้อหน่อยก็ดีวันไหนก็มันก็ยุกจิกยุกจิกอะไรเงี้ยค่ะอ่าราทําไปหรือก็ไม่ทํา ค่ะคอยปรับไปพัฒนาไปค่ะแต่เขาก็ยังนั่งนั่งจนแบบจนให้ถึงได้สิบสองนาทีครึ่งอะไรแบบเนี้ค่ะจนนาฬิกาหมดเวลาอ่าดีมากค่ะอ๋อใช่อ่าส่วนของหนูก็คือหนูอยากจะกลับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องหนึ่งเพราะว่าพอดีเมื่อวันอาทิตย์นะคะหนูประสบเหตุแบบเหมือนหนูไปวิ่งที่สุดลมใช่ไหมคะแล้วหนูวางของไว้แล้วของหนูโดนโดนคนขโมยไปอะค่ะคือเขาหยิบไปเลยอะค่ะทีนี้หนูก็ตอนแรกก็โกรธมากพระอาจารย์แต่หนูก็คิดว่าแบบ โกรธมันก็ไม่ดีอะค่ะก็ก็เราก็ใช้สติใช่ไหมคะ <ừ> พอเราใช้สติกลับมาได้อะค่ <S 2> <S 2> พะพระอาจารย์หนูแค่คิดว่าหนูไม่อยากให้เขาแบบเป็นเวรกรรมติดตัวไปอะค่ะหนูก็เลยคิดว่าของสิ่งนั้นที่ของถุงอันนั้นที่เขาเอาของของเราไปอะค่ะเขาเขาดิบไปโดยที่ไม่ได้ขออะหนูก็เลยคิดว่าหนูจะให้เขาไปอะค่ะเหมือนก็เลยตั้งใจว่าเอองั้นถือว่าให้เขาไปดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ ะ, ะจะได้แบบ ไม่เป็นเวรกรรมกับเขาอ่ะถ้าหนูคิดแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เขาอะค่ะแบบไม่ไม่มีกรรมในเรื่องของการขโมยอะไรแบบนี้ไหมคะพ่ออาจารย์เอากรรมที่เขาทำมันลบล้างไม่ได้แต่เวรคือการนี้กู้อะไรกนอันนี้อยู่ที่กู้อะไรว่าเขาจะให้อภัยหรือไม่อย่างถ้าหนูให้อภัยก็หนูก็ไม่ไปจองเวรจองกรรมเขาเขาเลยขาก็จะไม่มีเจ้ากรรมในเวรนั้น แต่เขายังต้องไปรับใช้กรรมของการไปรับของผู้อื่นอยู่มันเป็นองสองกรณีอ๋อค่ะพราหนูก็สงสารนะคะพระอาจาหนูหนูเห็นคนที่เขาทํากรรมอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดความสงสารนะคะสงสารว่ามันเป็นกรรมติดตัวเขาไปอะคะ่ะแล้วเขาก็จะต้องเจอชดใช้กรรมแบบเนี้หนูก็เลยเพยายามแบบเหมือนแบบหนูแค่ทำด้วยความความหิวโหยทําเพราะไม่มีกิน ก็ไม่เป็นเดราชาห<น>์นะถา<ม>้ถาทำเพราะคังเงไม่กินแล้วยั ง, ยงอยากจะได้ของคนอื่นนี้อันนี้นนนนก็ไปเป็นเปรต<ป><ป><ป><ป><ป> สงสารนะคะพระอาจารย์หนูพูดตรงๆนะคะเวลาหนูเห็นคนทํากรรมหนักกะค่ะมันมันเห็นแล้วสงสารนะคะแค่คิดว่าได้แต่เราทําอะไรช่วยเอาไม่ได้หนูก็แค่คิดว่าเอองั้นหนูให้ถือว่าหนูให้เขาไปละกันให้ให้จริงๆแบบให้ด้วยใจจริงๆนะคะเพราะว่าหนูแค่คิดว่าเออจะได้ไม่เป็นเวรกรรมกับเขาแต่ว่าตามที่พระอาจารย์สอนก็คือแยกไม่ได้ให้ให้เขาก่อนที่เขาจะเข้ามาอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าถ้าหนูเอาไปว่ะหนูคิดว่า ถ้าใครอยากจะหยิบก็หยิบไปละกันงนี้ไม่ก็ต้องให้ให้ท้อไปเลยโดยโดยตรงต่อหน้ากันให้เขาเห้เขาหน้าสงสารก็ให้ให้ท้องก็ไปละออดีแบบเหมือนไปวิ่งเลยค่ะแล้วมันก็ต้องมีกติกน้มีอะไรเราก็วางใส่ถุงเอาไว้เออพยายามที่อันนี้เราสับเพ้าเองเราไปเปิดใช้วก็ทําบาปราต้องมีความละมั่นระวังค่ะค่ะมาให้เขามีโอกาสได้ทาบาปค่ะค่ะก็คือครั้งหน้าจะระวังกว่านี้เพราะว่าเออ อันนี้พระอาจารย์พูดขึ้นมาหนูก็เลยเออก็จริงนะคะมันเป็นความสับเพ่าของเราเองที่อืมเราไปวางเหมือนเหมือนเราเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาทําบาปมันก็ถ้าเราปิดปิดประตูตรงนี้ซัดมันก็จะไม่ทําให้เขาได้ทําบาป่ะคะก็เหมือนเราช่วยเขาเลยก็ได้ทําถ้าจะทํำก็ยากขึ้นอาจะน่าจะไม่ทําที่อื่นเพาะงานทาไม่ได้ค่ะค่ะหนูก็ถ้าเราคิดว่าเราช่วยเขามันลดลงมาได้ก็มันก็น่าจะดีนะคะอาจารย์เขาก็ให้เขาไปเลย แม่จะช่วยเขาแต่ก็เเดี๋ยวก็ทําให้เขาติดใจเดี๋ยวก็จะมาขออีกใช <c oughs> ่ใช่ค่ะคสาร ก, ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรก็แยกแยะเป็นเ <c oughs> ป็นเลื่อนไปแต่ข้างสองข้างก็โอเคแต่<ๆ>บ่อยๆก็บางทีก็ต้องปฏิเสธไปค่ะค่ะถ้าเขาไม่ไม่พิ่งตัวเองไม่ช่วยตัวเขเองมาดับพึ่งคนอื่นอันนี้ก็ก็ไม่ถูกเงค่ะช่วยช่วยเองก็ช่วยไม่ถูกเงค่ะครับ ก็จะได้สบายใจค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็เป็นห่วงเขาแล้วค่ะว่าแบบมันจะบาปเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ชวยอะไรไม่ได้แล้วกใช่ไหมค่าไปเป็นกรรมของเขาไปเขาทำกรรมมันได้ไวเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็มีคําถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์กับขอบพระคุณพระอาจารย์เมรที่เมตตาสั่งสอนเจ้าค่ะปล่อยให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องพีอยู่ว่าบาปน้องพีไปไหนแล้ว มันอกี้เห็นผมมาเป็นนักประดิษฐ์นะไปทําอะไรตอนนี้นทำโปรเจกต์อะไรอยากเป็นราชการแผนกทำโปรเจกต์อะไรบอกมิตทำฟาร์มมดอยู่ครับฟาร์มมดอยู่ยฟาร์มมดนะกำลังจะกาลังจะเริ่มทํครับฟาร์มมดมาเลียยงเหรอคะ แค่ลังคามดตัวใหญ่ๆอยู่แต่ที่บ้านก็มีแต่มดเหม็นตัวเล็กๆท่านหนูท่านหนูเป็นมดหนูจะดีใจหรือเสียใจเจียใจแต่เสียใจก็อย่าไปทำเลยเดี๋ยวมันมันเป็นโปรเจกต์ของครูค่ะก็ทําโปรเจกต์ที่มันไม่ไ ม, ม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนดีกว่าคนเข้ความคนเข้ามีความรู้สึกทําโปรเจกต์กับไมก้กับผล้ไม้กับ อ, อะไรที่ของที่ไม่มีชีวิตเหมืันก็จะ ไม่มีเวรมีกรรมเราไปทำกับเขาเดีเขาวันข้างหน้าเขาก็จะกลับมาทำกับเราได้นะคิดว่ายังไงบ้างถาของโปรจตของโอโคจะให้จะให้เอาเอาเอามดมาเลี้ยงแล้วก็ใครสร้างความมดให้ดีที่สุดแล้วก็แล้วก็ทาทาให แหมมดมันอยู่ได้มีอาหารมีน้ำอย่างเงี้ยค่ะอ่านเลี้ยงชัวง่วคราวได้แคถึงหนึ่งอาทิตย์ก็คือผ่านเป็นเป็นข้อสอบอันนึ่งพอผ่านแล้วก็ลองไปปล่อยเขให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเราครัแล้วถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่อยู่อยู่ไม่รอดถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ เ, เป็นกรรมของเขาเลยทุกคนแกิมาก็าต้องแก่เจ็บตายไม่ชช่ก็แล้วก็เนี่ย ก็ที่จะนูก็ย่างบ่อนอยู่ว่าลุงโรงเรียนเขาคิดยังไงของเขาถึงให้เด็กมาทํำแบบโรงเรียนสมัยใหม่เขาไม่คย่ย้เรื่องศีลธทําเลยใช่ค่ะก็แต่วิทยาศาสตร์เอาแต่ผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักไม่มีธรรมะเป็นเครื่องมาคอยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากันบนหน้า<ช>ตัดับประสันย์จะคิดถึงประโยชน์ของเขาก่อนอืม จริงๆหนูก็อยากจะคอมเมนต์เขาเหมือนกันว่าเออไม่คือไปทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ควรจะใ้มนไม่ต้องคอมเมนต์หรอกเ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่องเขาก็บอกว่า ม, มาม่าเสือปิดพูดเพราะสสิ<อ>น้องพีมองว่าเขาชอบพูดอย่างนี้หนูไม่รู้จะพูดยังไงว่ามาม่าก็พอไม่ต้องไม่ต้อ ง, องพูดไหเให้สามเ <c oughs> <ป>ด็กสมัยใหม่พูดจาหนูวุ่นมากเลยอ่ะเป็น เป็นการพัฒนาการของทางโลกของเขาเขาเจริญทางด้านวัตถุแต่จิตใจเขาก็เสื่อมไปพร้อมๆกันยิ่งเจริญทางโลกเท่าไหาร่ยิ่งจิตใจยิ่งเสื่อมลงไปมากเท่า น, นั้นอือเป็การเป็นเป็นอุทาหรณ์เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมยตัวเตรียมใจแล้วกลเหตุการณ์เนื่องจความเลวร้ายของจิตใจของคนจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรือ่อยๆเพราะมุ่งไปที่การพัฒนานที่วัตถุ หน่อยที่ไม่ได้ไปวัฒนาทางจิตใจก็กู้กันไปค่ะหนูก็หนูจะบอกลูกจนแบบลูกโดนบูลลี่จนแบบตอนนี้ก็ต้องมีพฤติกรรมจะต้องทำเหมือนเพื่อนจะหนูแบบอ้อยแบบพูดจนเหนื่อยแล้วก็ดูตัวอย่างของประเทศที่เขาเป็นมา ห, อหนาอำนาจแต่คนขเขาเข้าไปยังไงคนขงเขาฆ่าฟันกันอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แต่หนูว่าน้องพีเขาคงอาจจะเป็นแบบหนูก็ภาวนาว่าเหลืออีกเดือนสุดท้ายแล้วจบแล้วก็จะได้ย้ายโรงเรียนแล้วหนูจะได้แบบจะเขาจะได้ไปไปได้ทํากิจกรรมในสิ่งที่เขาจะได้พัฒนาสมองมากกว่าไปพัฒนาแบบอย่างอื่นแบบเนี้ยค่ะเออเราต้องคิดให้รอบคอบนะว่าเราจะต้องการอะไรคนเก่งหรือคนดีเนะี่ยมันถ้าเป็นไปได้ทั้งเก่งทั้งดีได้ก็ดี ใช่ค่ะถ้าเป็นคนดีก็สามารถที่จะคอยเอาความเก่งนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้แต่ถ้าเก่งอย่างเดียวไม่ดีนี่ก็เอ า, เอาความเก่งนี้มาทํำลายผู้อื่นได้มาทำแก้ผู้อื่นได้ใช่ค่ะก็เพื่อจะพาในหาดดารุนที่ดารุนเขาก็เปิดแล้วก็จะได้เข้าแล้วค่ะนี่ก็น้องพีน่าจะประมาณต้นต้นมีนาก็ปิดเทอมแล้วคะ่ะที่โรงเรียนเก่าก็จะบายบายแล้วคะ่ะ ก็เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราถ้ามันอยู่บ้านก็ต้องมีมีศีลธรรมมีคุณธรรมให้เขาได้เรียนรู้ได้ได้ปฏิบัติได้กระทําส่วนที่ไปโรงเรียนก็เรื่องของเขามัน่โรงเรียนก็อย่างนี้นอกจากเล่าทบไปส่งไปโรงเรียนวัดต่างๆเขาก็ยังมีมีคุณธรรมศีลธรรมสอนอยู่บ้างโรงเรียนวดัดน่ยใช่ค่ะที่นี่พอแบบเป็นแบบคือแบบคล้ายๆ คล้ายๆต่างชาติไปแล้วเด็กต่างชาติจะเยอะมากศิ mm hmm. ลธรรมก็ไม่ค่อยมีค่ะยิ่งพอแบบจนช่วงที่แบบปฐมก็ยังดีแต่พอขึ้นมัธยมเนี่ยโหแย่มากเลยแล้วเด็กเขากําลังช่วงเขาเรียกว่าช่วงช่วงกําลังโตพอดีช่วงคาบเกี่ยวกําลังจะเข้าแบบอายุสิบกวบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันแบบหมเุเรียวหัวต่ออีกช่วงหนึ่งของเขามันก็ มันก็ทําให้เขาแบบคือบางทีก็ต้องตามเพื่อนตามอะไรไม่งั้นก็แบบโดนบูลลี่อะไรเงี้ยทุกอย่างอะไรเงี้ยหนูก็พยายามบอกเขาว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปทําตามเขาก็อาาบอกว่าหลวงตาสอนว่ายังไงอะไรเงี้ยเราเขาไม่ดีเราต้องไม่ดีตามเขาด้วยเหรออะไรแบบนี้หนูก็พยายามพูดให้เขาฟังบางทีก็กําลังเลิกต้นก็มีครอบครัวอยู่ครอบครหนึ่งเขาก็ส่งลราไปโรงเรียนนานาชาติแต่ทุกวันเขาจะพามาใส่บาตรทุกวันก่อนค่ะ เขาก็ได้สัมผัสจับความเมตตาสัมผัสจับ อ, ะ, อะไรต่างมีสัมมาคารวะมีอะไรน uh huh. ถ้าไม่มีกิจกรรมทางศาสนาเลยจิตใจก็จะไม่มีอะไรมาช่วยขัดเกล่านะ uh huh. เอาไปคิดดูก็แล้วกัน uh huh. อย่าไปหลงไหลกับการเจริงทางแสงสีเสียงทางลูกเสียงผิ่งกด มันนำมาดับความทุกข์ใจไม่ได้นะนอกจากดับไม่ได้แล้วยังเป็นตัวสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆถึงที่ดความทุกข์ใจได้กคุณธทำศีลธรรมอันนี้ก็พูดให้ทุกคนฟังนะจะได้คนที่มีโลกจะได้คิดบ้างก็มีมีองคนหนึ่งที่ใส่บาปประจําเขาส่งมาในโรงเรียนนานาชาติ เขาส่งไปปีหนึ่งเข้าไม่เอามาเรียนเรียนไทยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกแข็งกระด้างขึ้นรู้สึกอะไรต่างๆนี่มันมันมันไม่มีค่ะอใช่เขาก็ส่งส่งเสริมให้เด็กเป็นคนกล้าพูดกล้าทํากล้าเถียงใช่ตอนนีน้ปกติก็เถียงเก่งแล้วเนี่ยโหพยายามจะเอาเหตุผลมาหักล้างแบบมันมันไม่ได้เลยหนูก็หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไง ก็ต้องเราสงเขาไปเองไม่เป็นว่าใครใช่แต่ว่าก็พอพอเริ่มโตก็เริ่มเปลี่ยนหนูก็เลยอืคือสุดท้ายแล้วหนูไม่ให้อยู่แล้วหนูก็ย้ายโรงเรียนแล้วก็ดีใจที่สอบเข้าได้ออ ท, ที่ใหม่โรงเรียนใหม่นี้ก็มีคุณธรรมสอนคุณธรรมด้วยนะใช่ค่ะชอบออต้องคิดถึงความเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยไม่ใช่แต่ประโยชน์ของเราเพียงคนเดียว อน้องพีจริงๆเขาเป็นเป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเมตตาแต่พอพอเริ่มโตเด็กต่างชาติมาคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเขาจะเหยียดอย่างเนี้ค่ะแล้วพ อ, อทางนี้แบบคือคือเหมือนว่าค น, คนละแบบกันคือเราสอนมาทางทางด้านศิลธรรมแล้วเขาก็จ ะ, จ ะ, จะเจริญโดยตามม า, าตลอดตลอดแต่พอพอเริ่มพอเริ่มโตขึ้นพอเริ่มมอลหนึ่งเนี่ย ค, คือเขาบอกว่าเขาไม่ทําตามเพื่อนเขาก็ไม่มีเพื่อน เขาไม่มีกลุ่มที่ทํางานด้วยอะไรแบบนี้ค่ะมล้ว hmm. ก็ต้องคอยคอยดึงเขาว่าเออไม่ทําแบบนี้นะเลย่างนี้อ่าอายามระกลุ่มที่ดีให้เขา้เขาๆโรงเรียนที่ดีโรงเรียนที่มีทั้งคุณธรรมมีทั้งความความเจริญทางด้านวิชาการค่ะะต้องต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กัน mm hmm. ไม่ใช่แต่ความเจริญทางวิชาการอย่างเดียวแต่ทางดานจิตใจนี่กับเสื่อมลงเอง แต่ที่นี่วิชัก็ไม่โอเคใจก็ไม่โอเคหนูถึงบอกแฟนว่าย้ายเถอะไม่ไม่เอาแล้วอ่ะคือหนูเห็นลูกหนูเป็นแบบนี้แล้วหนูหนูนก็ไม่อได้ลูกมาคนแล้วแต่ไม่ได้เป็นลูกที่เราอยากจะได้ลูกเก่งดันลูกไม่ดีเนี่ยใช่ค่ะก็เนี่ยเขา เขาอยากได้สักเลี้ยงเถต่ว่าเขาไปเลี้ยงแมงสาไปเลี้ยงไปเลี้ยงมแมลงวันที่โรงเรียนแล้าให้หนูตาฟัง ไ, ได้ปะไม่กล้าลาผแล้วทีนี้เขาก็เจอเพื่อนเพื่อนสนิทเขาเนี่ฮะก็อุตส่าห์ไปเลี้ยงแมงสาคือคือสร้างหลังให้แมงสาอยู่หนูก็แบบโอ๊ยหนูแพ้นี่ยไปเลี้ยงมันทําไมอะไรเงี้ยแล้วบอกเขาเลี้ยงพอเขาเลี้ยงก็เอาเอ า, เอาข้าวไว้ให้เขาแล้วพอตอน ตอนพักเที่ยงเขาเขากลับเข้ามาเห็นเพื่อนเสนิทเขาแบบออกกำลกายไปตัดไปตัดหัวอือได้ไปตัดหัวแมงสามอย่าเงี้ยเขาเห็นแบบเห็นเลือดเห็นลายเนี่ยเขาก็ร้องไห้ทิ้งเลยแต่เขายังไม่เล่าให้หนูฟังนะคะสองวันมันเล่าให้หนูฟั ง, ห, งหัูร้องไห้ร้องไห้แบบลั่นบ้าร้องไห้โฮจนแบบหนูไม่เคยเขาเรียกว่าปกติเขาร้องไห้กับหนูไม่เคยร้องไห้โฮแบบนี้แต่เขาใช้คําพูดว่า ทำไมต้องรังเกียจแมลงสาบในเมื่อเรากับเขาก็เป็นสัตว์เหมือนกันโอ้โหใช่ค่ะลูกก็พูดกับหนูแบบนี้หนูแบบหนูนี่น้ําตาจะร่วงเลยว่าโอ้โหลูกคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอหนูยังหนูยัคิดไม่ได้ขนาดลูกเลยเขาบอกว่า<ม>คิดได้แต่ทําไม่ได้ ม, ม, ม, มเขาก็ร้องไห้ว่าทําไมถึงแบบ เราก็สัตว์เขาก็สัตว์ทำไมต้องเป็นรังเกียจเขาแบบเนี้เราไปเลี้ยงเขาเถปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาไหมคือเสียใจเขาไปฆ่าเขาทำไมคือเอาอะไรมาเลี้ยงโดนเพื่อนฆ่าหมดเลยทำลายของหมดเขาก็เลยรู้สึกแบบเออเขาจะต้องไม่ดีเหมือนเพื่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยถึงจะเข้ากลุ่มได้อะไรเงี้ยหนูก็บอกไม่จําเป็นอืออ่าต้องรู้จากเลือกคนเอือ อย่าไปก่ยไปกคนใจร้ายก็จะพาให้เราใจร้ายไปเก่าๆได้ยินไหมครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะครับโอเคกลับเข้ากุณลาบดูก็ถ้าแข็งแกร่งก็ค่ะอ่าอาจา์พรมพิไลคุณนนุกุ ดูขึ้นมายังราอยู่ค่ะมาแล้วค่ะการมวิาการแพทย์ค่ะไม่ไงที่นีไปทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างอาจารย์คิดไม่ออกเขาทำอะไรบ้างทำไม่ได้ก็ไม่ทำเยลเลยอยู่กับปัจจุบันสามสิบห้าปีไม่ได้ทำอะไรจาก วันนี้ยิ่งคุยกันอยู่ค่ะเรื่องเรื่องความจำคมจเสื่อมขอคนางทีมันบูบูไปเป็นระยะระยะอยู่ด้วยไว้หรือด้วยเคมีคอลนะคะในระบบประสาทมันก็ไม่ชวนคือต้องพยายามที่จะมีต้องตั้งสติไวตลอดเวลาคอยทบทวนอยู่เลยใช่ค่ะถามไปเลยวันนี้มันอะไรค่ะต้องคำตามให้กับตัวเอง พราว่าถ้าเ่อปล่อยไปเลยนั่นมันมันก็ไปเลยเหมือนกันนะคะเราต้องตั้งสติอยู่ตลอดเวลาจะไ้จับจับจะลอยไปคิดเรื่อยเปื่อยไปค่ะค่ะมันต้องใช้สติคอยควบคุมไห้อยู่อยู่กับความเป็นจริงวันนี้วันอะไรอยู่ที่ไหนต้องทําอะไรบ้างอะไรเนี่พอาะเดี๋ยวนี้เราต้องคอยเตือนกันตอนเช้าก่อนจะไปออกจะไปไปบินทบากก็ถาวันนี้วันอะไรว่า เพราะถ้าวันวันที่ไปโลงศาราก็ต้องเตรียมตัวอย่างนี้าวันที่ไม่ได้ไปลงสาราก็ต้องเตรียมตัวอย่างก็เลยบอกด้วยด้วยวัยในได้วันนี้คุยกันก็อายุเวียนเยอะๆนะค่ะก็คุยกันว่าเนี่ยมันต้องมีความจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวเพราะปล่อยไปแล้วมันมันหลุดไปเลย แค่จะเดินเบลของนี่ยังแบบเอ๊ะเราเดินมาตรงนี้ทำไมอย่างเงี้ยใช่เ่ยคุจะนึกออกเรื่อยไปสามรอบนี้อ๋อมันคิดพุ๊บนลองหายวัาไปเลย <c oughs> โต้กระดาษมาจบในนี้จบจนุึงมีเช้าทำอะไรบ้างะอะไรเงี้ยใปัจจุบันนี่มันอยู่ในมือถือหมดต้องเปิดรูปมือถืออย่างเดียวอืมแล้วทำอะไรก็รับจำหรหัสไม่ได้กันซ <c oughs> ก็ยังดีอะใช้ใช้อุปกรณ์พวกนี้เป็นไลน์น้โคเล่นเก่งมากค่ะลูกๆต้องมาถามอะสมองยังยังใช้ได้ใชงได้ดีอยู่เราต้องถามต้องอาศัยเล่นเก่งถาม a ออย่างเดียวเออก็จะสอนให้ต้องพยายามฝึกใช้ความคิดเยอะเลยศึกษาเรียน ต้องต้องต้องสติสมาธิวันนี้ได้โพสพิจารย์โผล่ขึ้นมาที่ไหนไม่รู้เรื่องของสมาธิก็ส่งไปให้เพื่อนดูสั้นๆง่ายๆเราก็แชร์กันไปแชร์กันมาคนนั้นเห็นตรงนี้คนนี้เห็นตรงนั้นก็เป็นแฟนคลับแฟนคลับก็แลกการกระสับกกันไปค่ะโอเคค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับขอใหได้เจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะ เดีอยวอินน ด, ดนหน้าเฝ้ารอเจอบนพุทธนาต้องต้องไม่พลาดเนอยต้องรีบเข้าแต่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไม่ได้วัาจจันท์ถ้าแข็นแข็งแรง น, นะคะส า, า, าทุคุณนิสาต่อนิสาใช่ไหมนิสาข้ากก่าในวัสการค่ะวาจารยร์ต้องเข้าออห้องค่ะ ก็ไม่มีอะไรไม่มีคําถามอะไรค่ะพรอาจารย์มาเข้าเรียนที่ยากจะย้ายกลับไปเอาเองไหมไม่ยังไม่ตอนนี้ค่ะตอนยังไม่ตอนนี้ค่ะพรอาจารย์อยู่ที่นี่ก็กโอเคคะ่ะอาจารย์ค่ะก็ก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าก็โอเคคะ่ะอาจารย์ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ก็มีมีสติหลุดไปบ้างค่ะพระอาจารย หลุดไปวันหนึ่งไปไปวุ่นวายเกีวก่ว่าการเมืองคะาา่ะพระ อ, อาจารย์ตั้งเลยค่ะพะอาจารย์ก็เหมือนแบบอินไปนิดนึงแต่พอกลับมาอีกทีก็นึกถึงคําสั่งสอนของพระอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยนมันก็ผ่านไปแล้วก็เราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะอาจารย์เราก็ยังต้งจ่ายภาษีเหมือนเดิมผ้าน้ําก็ไปเหมือนเดิมค่ะต้องทํามาหาทุกคนต้องทํามาหารกินเหมือนเดิมค่ะ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนักการเมืองค่ะพระอาจารย์ก็พยายามรักษาใจไว้ด้วยเป็นหลักก่อนนะใจต้องมาก่อนใจเป็นไหญ่ใจเป็นประธานใจต้องสงบใจต้องสูขก่อนแล้เรื่องอือนใครว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยค่ะคะอาจารยก็เป็นเรื่องของทางโลกค่ะพระอาจารย์ถ้าเราช่วยทำให้มันดีขึ้นได้ก็ทาไปถ้าทำไปได้ก็เฉยๆไป ค่ะอุเบกขาดีที่สุดใช่มะัะพคะอาจารย์อืมค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มาเข้าเรียนเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์ท่า น, นแข็งแรงนะคะค่ ะ, ะคุณสาธกเจิญไม่มีอะไรขออาจารย์มาฝึกทำค่ะปฏิบัติโอเคสาธุอ่าคุณผู้เป้ต่อ กรรนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ของหนูก็ของหนูก็ลุยปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าพระอาจารย์คะาาเพียงแต่ว่าสนุกกับการปฏิบัติก็คือเข้าสมาธิมันมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าแสดงเวลาเปิดตา ม, มาเหมือนแสดงแบบเหมือนเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนเคลื่อนไหวเหมือนแบบต้องเกิดแสดงเป็นบทบาทอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ แต่พอปฏิบัติมันมีความสุขในการเข้าสมาธิแบบไม่ต้องรับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่ถ้าเปิดตา ม, มาเหมือนแบบเราจะแสดงเป็นยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อความแตกต่างมั้งะใช่เจ้าค่ะปฏิบัติกลายเป็นความเงียบไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จถ้าเปิดตามาเราจะแสดงละครยังไงดีไปกับสังคมอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่แต่พอปฏิบัติ หนูจะไม่สามารถไปยุ่งกับรูปรถกินเสียงค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันจะทําให้ง่วงนอนตรงนี้ค่ะพระอาจารย์เลยไปไม่ได้แต่ก่อนหนูจะเต้นไปกับเขาแต่ปัจจุบันกลายเป็นหาวนอนเลยนะคะพระอาจารย์ต้องฟังธรรมอย่างเดียวเลยค่ะอืที่หนูสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ดีก็ค่ะก็เลยได้โอ้ได้ทั้งฟังธรรมอย่างคือหนูไม่ได้ฟังเพลงเหมือนแต่ก่อนจะกลายเป็นมาฟังธรรมของพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ ได้รถแท่งทำใช่ไหมรถทั้งปูอ่าโอ้มันทําให้มีพลังงานเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าลุยแล้วก็ไม่ได้ปัจจุบันหนูยังไม่ทานยาเกีย่ยวรับเกี่ยวกับการเกี่ยวกับร่างกายนะคะพระอาจารย์แต่ลุยทํางานได้ไม่มีความว่าเหนื่อยกลายเป็นกิจกรรมออกกําลังกายไปเลยค่ะพระอาจารย์เน่ได้ค่ะโอ้หนูก็เลยว่าบองของดีของใจที่หนูได้จากการสัมผัสค่ะพระอาจารย์พลังของใจ อาจาอยู่ในใจอจริงค่ะตอนแรกหนูก็ยังสงสัยอะไรคือใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะพระอาจารย์พ่อหนูลุยปฏิบัติฐฐทำกับพระอาจารย์หนูก็เลยแบบโอ้ได้เห็นของขอ ง, ของดีทางใจจริงๆค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนที่หนูผ่าสมองแล้วหนูมามีปัญหาทางด้านร่างกายเยอะแล้วหนูได้ฟังทำแล้วหลุดปฏิบัติกับพระอาจารย์เนะะี่ยค่ะ หนูก็เลยรู้สึกว่าโอ้หนูได้ของดีหนูก็เลยเอาไปผ่าหน้าแล้วแทบจะแบบไม่รู้สึกเจ็บทางกายหนูก็เลยบอกว่าของดีที่หนูได้สัมผัสจริงๆค่ะพระอาจารย์ว่าอ๋อใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวมีจริงค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ก็เพียงแต่แค่ฟังเท่านูปกติหนูก็ฟังเท่านะคะพระอาจารย์แต่แบบมันไม่ได้เข้าไปถึงใจมันไม่ค่อยได้ช่วยนะคะพระอาจารย์แต่หนูลองลุยอีกรอบได้เจอจริงๆค่ะพระอาจารย์โอ้หนูก็เลยแบบ โอโหของดีเลยค่ะพระอาจารย์อืมต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติจิตตภาวนา oh. เป็นตัวเนี้ยถ้าถึงใจเนี่ยอ oh, จริงค่ะพระอาจารย์หนูยังสงสัยอะไรคือแบบไม่เห็นทางใจแล้วแบบโอ้โ oh, หไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ต้องสัมผัสเองจริงๆค่ะพระอาจารย์อถ้าไม่ปฏิบัติใจก็จะอยู่ของร่างกายคิดว่าเป็นร่างกายวุ่นวายไปกับร่างกาย ใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพอหนูผ่ากะโหลกผ่าสมองมาเนี้ยค่ะพระอาจารย์ทุกคนจะสงสารหนูแต่พอหลุดปฏิบัติหนูก็แบบมีความรู้สึกว่าทําไมต้องมีแต่คนมาสงสารจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามอะค่ะกับคนที่อวโพรมาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมันมีความรู้สึกว่าท้าทายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในการที่จะรับผูกอะค่ะพระอาจารย์อืมดีค่ะ โอเคปฏิบัติไปแยกใจออกจากกายอยู่เรื่อนะอย่าไปหลงเชื่อเราเป็นน้ำกายเจ้ค่ะสาทุเลยค่ะอ่าคุณแนนต่อน้องกานรรมชาติทงรู้ไม่มีคำถามเจค่ะโอเคเป็นไปได้เป็นอ่อนอร์เชิญปนอนอม์มีอะไรไหมอันนี้ นวัสการะพระอาจารย์มีคำถามค่ะถ้าถามว่าอธิษฐานมา ก, ก็กลับมาปฏิบัติได้มากขึ้นเหรอพระอาจารย์เวลาถ้าเราเริ่มนั่งแล้วเรามันไม่สงบอะพระอาจารย์เราสามารถใช้การพิจารณากายไปก่อนได้ไหมแทนพูดโทคือเหมือนบางทีพูดโทนานมากก็ไม่สามารถจะสงบได<ช>้<ล>สักทีใช่การที่สองได้หรืว่าการ่ั<ค>น น, นังเ น, น, นี่ยมักดไได้ แล้วเราก็ไล่พิจานาไปตามกายอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ใช่ไครับกลับไปกับมาอยู่าการทางทีสองไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพราะว่าอาจจะก็เลยคิดว่าอาจจะน่าจะทําให้อาจจะสงบได้ได้ดีขึ้นกว่าเพราะว่าบางทีพยายามพุดโทยู่างานมากเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนมันช่วยลดความฟุ้งซ่านให้ได้ให้ลงไปแล้วต่อไปพอมันหายฟุ้งซ่านแล้วเราก็ดูนมไปเรมพุดโทยต่อได้อยากจะได้ ทองทาอย่างนั้นดูค่ะเพราะว่าก็เลกเยก็จะลองไปทางนั้นดูเผื่อว่าเพราะว่าถ้าเราฟุง้งเสียงพระอาารว่าลดความฟุ้งลงได้น่าจะเห็นลงขึ้นมาได้ชัดขึ้นแล้วมันก็จะได้ไปต่อได้ไม่ใช่ว่าต้องไปทั้งไปทั้งกลับทบั้งกลันี่มันต้องใช้สติมากนะเมื่อกี้ฟังน้องอจารม่แกจะตี้เก่งมากค่ะใจกลัมฝนหย่อมลมค่ะอือ มืนทางสุดคือเนี่ยมันทางสุดของเดี๋ยวเราจะไปลองดูค่ะเพราะว่าบางวันก็ไม่ไม่ไม่ถ้าวันไหนทั้งวันสติดีมาก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่บางวันมันเหมือนแบบอู้เราน่าจะต้องมีตัวช่วยะม่ใช้การสวดมนต์ก็ได้การสมาต์ก็ช่วยได้อ่าสวดในใจไปเลยใช่้ยอ่าสวดในใจนั่งในถ้านั่งสมาธิไปเลยแล้วก็สวดเป็นอารมณ์แทนพุทโธได้ ใช่หลายห้ อ, องที่พุทโธเอาไม่อยู่จริงๆไม่มันสั้นไปมุท ส, สั้นไปใช่นั้นส่วิเบปะกวาสัมมาไปค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พอเราเริ่มกลับมาพอพอปฏิบัติไดนานสองชั่วโมงพอเวทมันเริ่มไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเห็นทุกข เ, เวทนาก็เลยรู้สึกว่าโอ้สองสัยต้องยาวขึ้นเพื่อจะเริ่มเห็นทุกข เ, เวทนาเหมือนแต่ก่อน เหมือนสั่งมันมันก็จะเหมือนแบบนิ่งๆเฉยๆพระอาจารย์แล้วว่าใช่ไหมเราก็เลยทุกข์ใช่ไหงเจอทุกขเวทนาใช่ก็เลยที่ว่าโอ้เนี่ยเพราะงั้นมันก็จะอย่างถ้าจามันไม่เจะมันจะไม่ได้เดินบัญญาไม่เห็นทุกตรงนั้นเราก็อสงสัยก็ต้องเริ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มระยะเวลาแล้วตอนนี้ยังก็ดีครับอาจก็เลยรายงานว่าพอช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทําได้ ทำได้ดีขึ้นก็จะใช่ก็ต้องพยายามใช่ค่ะพยายามใช่ค่ะอย่าทำแบบกระตายทำแบบตามใช่ค่ะช้าๆแต่ให้ได้ดีก็จะไปเรื่อยๆค่ะกระตายนี้บองช่วงขยันงช่วงขี้เกียจไอ้ยามเพราะว่าเห็นเห็น เห็นความทุกข์จากการเกิดไม่อยากจะกลับมาเกิดจริงๆว่าอาจารย์ดูกี่ทีก็โอ้ว่าตัดสงสารมันคงยาวไกลจริงๆต้องคอยบอกกวเองคี่ตั้มาตรฐานมันได้หรือเจ็ดชาติได้หนึ่งชาติได้ครานี้มีพระพุทธเจ้าสมเป็นผู้สอนเราอยู่เราก็ต้องทำเองนี่แหละว่าอาจารย์เหต้องเพียนเข้าไปตถาคตเป็นผู้บอกทางพวกเธอต้องเป็นผู้นเอง เดินทางกันเองจริงครับพราะว่าก็ยังคุยกันกันในทีในในในหมู่ด้วยกันว่าอัดมันไม่มีหลอกทางลัดอนะ่ะถ้ามีทางลัดนะพระพุทธเจ้าคงต้องเมตตาพระอานุ์เป็นผู้แรกร<ม> ป, ประอุปถาขึ้นมาตลอด<ม>ดูสิพระอานนุนยังต้องโอ้เ จ, าจา้าจวานสุดท้ายนะี่ยนะ<ม> <laughs> นาทีสุดท้ายนี่ไมมหมคับในบอกคนสมเนี้เวลาเราได้ยินทางลัดอะไรง่ายๆบอกเป็นไปได้ยากมากๆเลย<ม>ที่จะมีทางลัดอย่างนั้นนะ่ะ ทางที่พระเจ้าสอนเนี่ยรัดที่สุดแล้วส<ช>ายการทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่รัดที่สุดแล้วใิใ่งอืมแต่คนที่คนที่ใจร้อนก็เป็นเหยื่อของเข้าไปเหยื่อของคนใช่ค่งคนใจร้อนช่างงั้นจะรู้ถัวคนที่คิดว่าเดินเขามาใจร้อนนะคะใช่ใจร้อนแล้วก็ต้องการแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องผ่านความ ท, ทุกข์เนี้ ปฏิบัติในห้องแอร์จัน ก, การปฏิบัติในโรงแรมนี้เอองั้นชอแบบนั้นกันมีประกาศนโยบายด้วยค่ะรับรองความเป็นโสดาบ้างเออโยมก็ยังเออมาอย่างนี้ด้วยถึงยิ้อ่าหลักคนก็หลงไหลเชื่อกันนะของพวกนี้ใช่ค่ะคนหลงไหลจริงค่ะอเหมือนก็เขหลงไหลจริงๆว่าจันเหมือนแบบ เออยมก็เ่าก็ยังว่าแหละเมื่อกี้มันก็คนคอมองหาทางที่สั้นและง่ายค่ะคือโอเคเรามีเงินนะมีคนมาชี้ช่องทางว่าต้องใช้เงินอย่า<ช>งเขาบอกว่าเดมีเงินแล้วปฏิบัติแบบง่ายๆอยู่ในต้แอรงง์อยู่น้วอร์ใช่ถึงจุดหมายง่ายๆเจ็ดวันก็มันรุงได้ครบหลักสูนย์ในประกาศ <c oughs> โอ้มันแค่คิดแต่นี้เวลาคิดทีไรก็ต้องกลับไปคิดถึงเรื่องพระอนุลทุกครั้งว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีใครจะมีเมตตามากกว่าพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ยังไม่สามารถทําให้พระอานุ์บรรลุได้ได้แต่ให้ทางไว้จริงๆต้องคอยคิดแปบนี้อืมถึงจะดีดีค่ะอาจาเดี๋ยวจะได้ใช้ พิจะรากายวันที่ฟุงมากๆเราจะได้มาคอยรายงานผลให้ค่ะได้ค่ะพระเจ้าข็าแข็งแรงมาค่ะสาธุคุณอ้อมตาอ้อมเป็นไงจองที่พักแล้วมาพักแล้วอ่วันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์นี้นะช้าคืนสองคืนแลมวมันค่ะอืมตอนมาให้เขานี่ต้องการทำอะไร ก็ความสงบค่ะพระอาจารย์ um> แต่ว่าก็จะไปทดสอบความกลัวด้วยค่ะใช่ไหว้าหายโกจรหรือเปล่าอย่างนี้ก็พระอาจารย์บอกว่าให้ทดสอบบ่อยๆเออลรคามั่นใจค่ะเดี๋ยวเผื่อมันลืมไปก็ไปอะไรก็ทำไปอีกรอบนึงอ่เเพราะมันกิเลนมันหนอกแล้วเก่งใช่ค่ะ รอบนี้แม่ของแซนไปด้วยคะ่ะอาจารย์เอ่ไปอยู่คนละหลังเลยใช่ค่ะอ่าดีเราอย่าไปอย่าไปอยู่ใกล้กันอย่าไปพบกันนะตา ม, ต, ามต่างอยู่ค่ะนอกจากมีถุกเฉิญมไม่สบายอะไรค่ะโอเคอให้สสำเร็จตามที่ปรารถนาสาธุพระคาะขอบพระคุณค่ะ ไปที่คุณปุ้ยตาลักสมเบกบการน้อมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อพระอาจารย์ได้ยินคุณปุ้ยเปล่าได้ยินจ้ะ อ, อ๋อคุณปุ้ยจะมารายงานพระอาจารย์ว่าคุณปุ้ยอ่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกวันค่ะบางก็มีอยู่เพียงวันเดียวคือ จิบตกโดนคนแกล้งแต่ทีนี้แบบคิดได้ว่าเออไม่เป็นไรช่างมันเพราะว่าเขาอยู่ทางโลกเราอยู่ทางธรรมและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเฉยไว้นิ่งไว้เขาก็คงจะแบบหายไปเองไม่มาคิดไม่มาแกล้งเราเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ โยมก็นั่งสมาธิได้ดีมากก็เมื่อวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยวันที่หลวงปู่ศรีท่านสวดอภพพิธรรมก่อนที่ท่านจะทําพิธีเผาอ่ะโยมก็นั่งฟังไปตามที่มีหลวงหลวงพระอาจารย์สามยงหรือสามองค์อะไรที่ท่านเทศอะค่ะโยมก็ไปฟังฟังในไลน์เนี่ยแหละแล้วโยมก็นั่งสมาธิตามไปแล้วโยมรู้สึกเออดีดียมว่าพระองค์เนี้ยท่านสอนคล้ายๆพระอาจารย์เลยค่ะ ท่านเทศสอน <Yeah. S 1> เหมือนพระอาจารย์เลยค่ะก็ดีธรรมอ า, าวุอาจารย์เป็นอันเดียวกันเหมือนกันกทุกคนนะใช่ค่ะเพราะเหลวงปู่ท่านเป็นสาย อ, อสายเดียวกับพระอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนะคะเมื่านท่านมาแล้วะคะ่ะโยมก็ดีใจที่ได้ร่วมบุญกับท่านไปอะคะ่ะนะฮะไง โยมก็ถธอปฏิบัติบูชายาวมาเลยแล้วพอดีมามาสะดุดเอวันพระเมื่อเมื่อวานนี้โยมก็นั่งไม่ได้ออกไปไหนเลยโยมถือศีลแปดโยมเอ่อรู้สึกดีค่ะโยมก็เลยจะมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์น้อมนำบุญมาถวายพระอาจารย์เจ้าค่ะ<า>แต่โ<า>ยมก็ดีอย่างนี้ไปตลอดนะคะดีททำไปเรื่อยๆนะ ขอขอพลังพระอาจารย์อย่าให้มีคนกั่นแกล้งโยมเลยเบือเลืเกินบ่บกว่าเวลาถูกถูกแกล้งทีไรแบบคือจิตมันจะดิ่งลงไปนิดนึงแล้วทีนี้กว่าเราจะคิดได้มันหลายชั่วโมงอะ่ะไอคิดไว้ว่าทุกไม่มีปัญญาไม่เกนะิดใครมกากลั่นแกล้งแสดงเขาก็ลงยื่นปัญญาให้กับเราแนะได้ค่ะโยมก็โยมก็เอ่อพอคิดมาได้โ ย, ย, ย, ยมก็บอกอืมถ้าเขากั่นแกล้งเราเขาทุศบเรา และเรามีความจริงใจกับเขาเขาไม่เชื่อเราเขาคิดว่าเราโกหกหรือเราก็ยังยืนอยู่บนความจรงิงความจริงมันก็คือความจรงิงมันไม่มีวันตายโยมก็คิด อ, อย่างเนี้ยค่ะเพราะโยมเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราเฉยเสียก็หมือนเดิมเดวเทวทัตพยายามทํร้ายพระพุทธเจ้าสามครั้งพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ทําอะไรพระพุทธเจ้าก็เฉยเฉยไปใช่โยมก็โยมก็ฟังวันนั้นโยมมาฟังเทศน์โยมอารมณ์ร้อน ร, อนรอน้เลย นั่งมาที่ก็นั่งไม่ได้โยมก็เลยฟังเทศพระอาจารย์โยมก็ฟังมาถึงจุดจุดหนึ่งโยมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราเฉยๆดีกว่าเว э ย้ยเออถ้าเรายิ่งยิ่งไปอธิบายเขาจะไม่ฟังเราเราเฉยๆนะให้เขาศึกษาเราไปเองดีกว่าโยมก็เลยเออโยมก็คิดว่าเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราก็ได้เขาเขาเป็นผู้หญิงฝรั่งน่ะเขาคนรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอใช่เขาเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ คบ่ายก็เป็นบ่ายต่างๆเร า, เ, ราเป็นของเราไปเรารักษาใจด้วยธรรมะของเราไปก็จบใช่เพราะคือคือโยมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไจงจอยก็เลยบอกว่าเออเอาสวดมนต์นะกันขอพระพุทธเจ้าช่วยขอพระพุทธเจ้าช่วยโยมก็มาถบายบุญกับพระอาจารย์เนี่คยคารมาะกาบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็บอกกับพระอาจารย์ว่าโยมอ่ะก็ จะไม่ออกนอกรู่นอกทางอ่ะเดินทางทำอย่าเนี้ยถือศีลแปดของโยมไปทุกวันอย่างเงี้ยแหละค่ะโยมสบายใจมากแล้วค่ะโอเคสาธุจ้ะสาธุขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะขอให้คุนปู่ให้เราไม่รวยนะราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคุอก็ยินดีตายตอนนี้หายหนาวอย่างไร่ังหนาวอยู่ะ ยังค่ะท่านอาจารย์ตั้งแต่พายุหิมะเข้าเมื่อค้าวก่อนติดลบแบบละนมแล้วเอาเลยค่ะวันเมื่อวานก็ค่ะก็ติดลบเอยี่แปดยี่ห้ายี่สามยี่เอ็ดยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังยังยังอยู่ในเทรนนี่เหมือนเดิมพายุหิมะยังไม่พายุหิมะยังไม่ละลายยังกลายเป็นน้ำแค่ะอือ วันนี้เมื่อคืนหิมะก็เริ่มตกอยู่แล้วค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ตกอยู่ค่ะท่าอาจารย์ก็อากาศเป็นแล้วก็บอกว่าช่วงเขาบอกปีนี้เป็นเป็นปีที่หนาวมากอะค่ะท่านอาจารย์ที่ผ่านๆมาเทํา้วกนีเท่าปีนี้เขาค่ะท่านอาจารย์ก็ดินฟ้าอากาศนะคะท่านอาจารย์อันนี้จำเธอเป็นมือทำแล้วคนไทยนี่อยากจะเจอหิมะต้องขับรถขึ้นเชียงใหม่ ก็ไม่ทันแล้วถ่งจะสัมพัสนิ่งๆหน่อยอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะาอาจารย์เวลาเรามองอะไรคือแล้วแต่นะคะการมองเวลาเรามีทั้งก็ดีนะคะถ้าอาจารย์มันทําให้เรามองมองมองจากด้านที่ไม่ดีที่สมัยก่อนที่เราเวลาเราคิดอะไรบางทีเราจะคิดลบแต่เดี๋ยวนี้เราก็มาคิดได้นะคะว่า ตกลงลเราจะลบหรือจะบวกถ้าเกิดเราคิดบวกมันทาให้เราสบายใจดีนะคะท่านอาจารย์ใช่ถูกต้องพยงายามองคนที่เขาแยกกับเแล้วเราถ้ายามมันมันก็อแต่เรามองคนที่เขาสบายก น, นแล้วเราก็าาจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะทุกข์ใช่่ะท่านอาจารย์ใช่ค่ะท่านอาจารย์ คะ่ะตั้งแต่เข้ามาในธรรมมีความรู้สึกว่ามันมั น, ม, นมันทุกข์น้อยลงเยอะเลยค่ะท่านอาจารย์ทุกมันเกิดจากความที่ชงเรารเองไม่ได้เกิดจากใครแล้วใช่คะ่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์ช่วยลงอทําให้กระช่างทิ้งนักสิคะว่าคําว่าอุปทานในขันธ์ห้า น, นี่ยเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์อย่างแท้จริงนะคะท่านอาจารย์เป็นยุดกันนะขันธ์้ า, า, าคือร่างกาย ก, ก็คือมันมาสรุปที่ตรงทางจังอันต า, น า, นาใช่ไหมคะอาจารย์วิธีวิธีที่จะไม่ยึดมันว่าเป็นตัวเราของเราก็พิจารณาว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟค่ะอาจารย์ค่ะว่ามันทำมาจากอะไรทุกวันนี้ร่างกายนี้มันทำมาจากอะไรอืมมันก็เรามีอาหารมีลมมีอะไรต่างพวกนี้ก็เป็นธาตุทั้งนั้นที่เข้าไปในร่างกาย แล้วมันจะเป็นตัวเราของเราตรงไหนมันไม่มีถ้ามองให้เห็นเนาะมันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นแค่ดินน้ําลมไามามาสร้างการสารสื่อสองขึ้นมาถ้าวันหนึ่งมันก็จะย่อยสลายกลับคืนสู่ดินน้ไไําลมไาไปค่ะนุกนุกมากเราเป็นดาย เ, เป็นดินไม่ใช่ แม่เรหายไปไหนร่างกายของแม่เราหายไปไหนเป็นดินน้ำลมไฟมันก็ยยกไปหมดเลยแต่ดินถ้าเห็นความจริงมันจะไม่ไปยึดไปติดจะเป็นเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟเป็นของดินน้ําำลมไฟเดี๋ยวดินน้ําำลมไฟก็เข้ามาขอคืนไป ไมต้องคืนเข้าไปเหมือนเราไปยืมของเข้ามาเดี๋ยวาจะของเข้ามาขอขาคืนก็ต้องคืนเข้าไปค่ะนเต็มตัวคืนน้ากายนี้ให้เข้าไปวิธีคืนเงาเวลามันจะบ่นลมหายใจก็ก็โอเคว่า Thank you Goodbye อย่าไปยื้ออย่าไปดึงเลย ยืมไม่ได้เดงอาไว้ไม่ได้ค่ะโอเคค่ะท่านอาาค่ะเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์เพราะทีแรกลูกเข้าใจเอ๊ะขันท่ามันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณเอ๊ะมันยังไงมันก็อยู่ใน่างกายเนี่ยต้องเวทนาเวทนาแล้รู้สึกความสุขหิวข้าวเลยก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาเจ็บตรงนั้นก็เวทนาอืม เหมือนก็ทํางานร่วมกันเวทนาสัญญาสังขารเมียนายนี่เป็นทีมดูตัวเวทนาตัวเดียวก็พอค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะรู้พอใจแล้วค่ะท่านอาจารย์พอบอกว่าค่ะคือให้ดูที่ดินน้ําลงไปคําว่าอุปทานของขันห้าอย่างเองค่ะดินน้ำลงไปก็เวทนาก็สุขทุกไม่สุขไม่ทุกเจ็บเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างก็เวทนา เราก็ควบคุมมันควบควาไม่ได้อ้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราสั่งให้วิจิตตสุเวทนาอย่างเดียวได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวก็หิวข้าว <c oughs> เดี๋ยวก็ปวดเท้าปวดแขนเดี๋ยวก็ปวดหัวปวดฟันเวทนาอะไรเป็นอนัตตาเาห้ามเขาไม่ได้สั่งเขไม่ได้เราต้องอยู่เขาให้ได้ เราก็จะไม่ทุกที่ทุกเพราะเราไม่อยากให้เขาปวดไม่อยากให้เขาเจ็บเห็น <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่อยากจะทุกเวลาที่เขเจ็บเราปวดฟันก็อย่าถ้าไม่อยากจะทุ ก, ก็ปวดก็ปวดไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับ <c oughs> มันไปอ่ะท่านจารย์ค่ะขั้นหน้ามันก็รวมเอาที่ร่างกายเราเนี้ย รูปกับร่างกายของเราเวทนาสัญญาณว่ากาเวทนาจากร่างกายของเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เข้าใจนะถ่าเข้าใจค่ะท่านอาจารย์เข้าใจค่ะขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงเดวิดเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ก่อนที่จะออกจากบ้านไปโอเคสาธุค่ะขอบคุณนะค่ะท่านอาจารย์บอส่งเต้ค่ะ ขอบคุณขันใจมี อ, อยากคุงค่ะอ่าคุณบัลิกาต่อบัลิกาอาราทิา่าอ่านมาเนี่ยกาดนมันกานเจ้าครับอาจารย์ก็ลูกก็ปฏิบัติอยู่นะคะอาจารย์ก็ก็วันนี้ไม่มีคําถามเจ้าครับอาจารย์แล้วก็เข้ามาเริ่องความธรรมเจ้าครับอาจารย์โอเคแหงมาไปที่คุณหมอสุทัศนีตา นามัส ก, การนพอาจารย์ดูไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณมาลีมาลีเป็นยังไงจ้าหลวงพ่อค่ะสบายดีสบายดีค่ะหลวงพ่ อ, อสบายกายสบายใจค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ค่ะ <Okay. S 2> กายอาจจะเจ็บบ้างปวดบ้างแต่ใจไม่ปวดไม่เจ็บตามไปนะค่ะหลวงพอ่อไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ค่ะแต่ว่าก็เห็นเห็นอยู่ทั้งสุขทั้งทุกข์ที่เขาเข้ามาค่ะหลวงพอ่อแต่แต่ก็ไม่ไม่โดดเข้าไปทุกข์แล้วก็ไม่เข้าไปสุขค่ะหลวงพอ่อเห็นทุกอย่างค่ะหลวงพ่อให้รู้เฉยๆแต่ก็รู้ค่ะหลวงพอ่อเราไปห้ามก็ไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ เรียสุกแล้วเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวทุกเข้ามาสลับกันไปสลับกันมาค่ะหลวงพ่อเห็นอะไรก็เหมือนนไเดี๋ยวแก้แล้วก็ดับค่ะหลองพ่อเดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวไปผัดเปลี่ยนกันมาแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่ออืมห้ามเขาไปได้ไล่เข้าไปไล่ให้เข้าไปก็ไม่ได้ค่ะหลองพ่ออืรู้สึกว่าชีวิต ใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นค่ะหลวงพอ่อเราไม่ไม่ตามออกไปรับไม่ว่าสุขหรือทุกแบบเนี้ยค่ะหลวงพอ่อสงบสงบได้ในที่มันมันไม่สงบอ่ะค่ะหลวงพอ่อที่มันวุ่นวายเราก็อยู่ได้ค่ะหลวงพ่อืมใช่เราไม่ไปวุ่นวายกับกันค่ะหลวงพอ่อแล้วหนูก็ปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหลวงพอ่อ การปฏิบัติก็เพื่อกําจัดความทุกข์ถ้ามีความทุกข์ก็กําจัดมันไปถ้าไม่ีความทุกข์ก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะหลวงพ่อไดให้ทำอะไรนะจะให้ดินได้เลยจะให้ดาดินได้เลยใชค่ะ ห, หลวงพ่อก็ก็อยู่ไปแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อก็ทํา <c oughs> งานทําอะไรไป <c oughs> ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ข แต่ว่าก็ยังต้องภาวนาไปทุกวันทุกวันเหมือนหาที่จะเรียกว่าอะไรนะคะหลวงพ่อมันมันก็สงบดีค่ะหลวงพ่ อ, อก็เหมือนเป็นงานประจำของเราไปแล้วค่ะหลวงพ่ออย่างเราก็มีหน้าที่รักษาใจใสงบไม่วุ่นวายใช่ไหมใช่หลวงพ่อโอเคนะช่กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากค่ะอืาคุณปรามว่าอะไรเช่นะ รั่นักสการ์เจ้าขาพระอาจารย์วันนี้วันนี้มีมีเรื่องที่จะอยากจะสนทนากับพระอาจารย์ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ได้เรียนศึกษาธรรมะไปแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปอะค่ะมันก็คือในเรื่องของการละตัวตนหนูหนูคิดว่าหนูและหลายๆคนเคยอ่านเลือดหนังสือของท่านพุทธทาสอะค่ะเรื่องตัวกูของกูก็เพิ่งวเวลที่พระอาจารย์สอนจะเข้าใจว่าถ้าเราละ ความเป็นตัวเราหรือตัวตนหรือการไม่หวงยึดติดกับสิ่งของมันก็คือในส่วนของการละอวิชากับปัญหาเพื่อที่จะไปให้ถึงวิพานการไม่มาเกิดตรงนี้ถ้าเราฝึกปฏิบัติบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินแล้วมันเกิดเป็นความคิดเกิดความคิดหรือกระบวนการที่ทำได้ตลอดเลยถูกต้องไหมจ๊ะคะ ก็ทุกครั้งที่เราไปอยากกำอะไรก็แสดงว่าเราอเอาตัวตอนออกมาแล้วเราก็ต้องหยุดความอยากนั่ให้รู้เฉยๆให้เป็นเป็นตัวรู้เฉยๆใจมันแค่ตัวรู้ทางกายความอยากกาความยึดติดแสดงว่านี่เป็นเป็นอวิชชานะ้เป็นกิเลสนะ้เหมือนเหมือนกับที่ที่มีน้องคนหนึ่งที่เขาไปออกกํำลังกายที่สนลมคือ ก็คือเราในในทางที่เรายังเป็นคารวาสอยู่แล้วกามังฝึกอยู่เนี่ยการที่เราการที่เรายังมีอารมณ์ที่ฉุกคิดให้โกรธในเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเข้ามาศึกษาปุ๊บแล้วเราจะเข้าใจการปฏิบัติก็คือเมื่อเราถุกคิดได้แล้วก็กลับมาเป็นการละความโกรธความเป็นเจ้าของเนี่ยมันมันทาแบบนี้คิดแบบนี้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะ ทำอัตโนมัติในอนาคตตายถูกต้องแรัก็มองทุอย่างไม่ใช่ของเราแต่ยังเปันมองเป็นของเราอยู่ร่างกายอะไรเขาเจ็บเลยเราเจ็บแล้วไม่ใช่เราไม่ได้เจ็บร่างกายมันเจ็บร่างกายไม่ใช่เราเราไปเจ็บกับมันทำไมเอาไปอยากให้มันหาเจ็บทําไมทํำไมร่างกายของคนอื่นเราไม่ไปไปหาอยากให้เขาหาเจ็บร่างกายคนอื่นก็เป็นตายไงแล้วไม่เดือนนอน มันเพราะร่างกายของเรานี้ยทำไมมาเรามันเดือดร้อนก็เพราะเรายากไปเถว่าเป็นของเราอยู่เป็นตัวเราอยู่แต่ก็ต้องทำอ ม, มองร่างกายนี้เหมือนกับมองร่างกายของคน อ, อื่นคนนี้อือใช่ไหมค่ะอย่างเช่นสมมตินะคะสมมติถ้าเราหกล้มเราเราเราเจ็บแผลเราเจ็บแผลที่ขาแต่คือมันก็ต้องฝึกเพื่อให้คือคือความรู้สึกมันก็ยังรู้สึกว่าเจ็บอยู่ค่ะ แต่ว่าก็คือพยายามแยกความเจ็บคนดูทั้งเองอย่าไปเจ็บกับมันเหมือนคนดูหนังเนี่ยดูหนังคนเขายิงกันบนจอนี่เราเราโดนยิงกันเขาไปด้วยหรือเปล่าไม่โดนแต่เราก็อยากว่าดเสียวอยูอใ่ใช่ไหมใช่หวาดเสียวตัวแทนตัวแสดงใช่ไหมค่ะไม่อยากให้เขาถูกยิงเี้ยนอันนี้นนตั้งใจเราก็เหมือนตัวแสดงตจก็เหมือนตัวดู คนดูก็ดันไปเข้าข้างไอ้ตัวแสดงอยากให้ตัวแสดงนี่มันปลอดภัยไม่ไม่ถูกยิงไม่ถูกตีอพอตีพอตัวตัวแสดงถูกตีก็เจ็บก็เจ็บไปปวดไปกับมันปวดไปกับคนแสดงคนดูต้องดูเฉยๆเลยไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเครียดกับการดูบางคนดูหนังผีนี่หลับตาแล้วไม่กล้ามอง เอาอารมณ์ร่วมไปด้วยนั่นแหละหลงงั้นไงไม่ยากกว่าดูออกไม่ยากใจออกจากสิที่เรารับรู้กลายเป็นเหมือนคนดูหนังร่างกายแล้วร่างกายของเราร่างกายของมัเล่นั้นตัวแสดงในในในจอหนังงั้นหนูก็ค่อยๆมาถูกทางละค่ะก็ฝึกไปเรื่อยเจ้าขาพอาจารย์ก็มองร่างกายก็มองนั้น กล้าร่างกายมันเจ็บก็ถามว่าร่างกายคนอื่นเจ็บแล้วลเดือดร้อนไหมไม่ไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนแล้วก็ต้องไม่เดือดร้อนกับร่าง ก, กายนี้มันต้องเปรียบเทียบต้องสอนแบบนี้อืได้จ้ะค่ะก็นำน้อมไปนำไปปฏิบัติเจ้าค่ะอืาแต่ต้องมองร่างกายของเรานี่มันก็ร่างกายของคนอื่น ร่างกายของคนอืนเป็นตายอย่างไงเราไม่เดือดร้อนใจได้ร่างกายขอามันเป็นตายยังไก็ไม่เดือดร้อนกับมันใจนั้นเท่านั้นค่ะรับรู้ได้รับรู้มันเจ็บรับรู้มันปวดได้แต่ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมัน่ะตัวเดือดร้อนที่เป็นตัวอาการกวนกระวายกรสับประส่ายป็นไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเนี่ยเป็นแสดงว่าเดือดร้อนของร่างกายนะบางอุบัตขาอย่างเดียวส่วนใดที่หนูเราไม่สบายหนูหนูก็จะ ห น, หนูก็จะไม่ค่อยแสดงอาการแต่ว่าหนูรู้ว่าข้างในมันก็เจ็บปวดแต่หนูก็ทําเฉยๆไปอะไรเงี้ยอันั่นแหละเราทาเฉยให้ได้เฉยจริงก็ไม่จริงนะนั่นก็แล้วแต่เราครับถ้าเฉยจริงแล้วมันจะรู้สึกสบายไม่ไม่เดือดร้อนอืมไม่ต่อค่ะขอบคุณนะต่อค่ะต้องฝึงกกูเบขายเยอะๆเพื่อจะได้วางเฉยได้ต้องสมาธิเยอะๆ เ, เ, เข้าฌานเล็กๆอ่า จำเนั้นหนูเขาน้อยหนูหนูก็ยอมรับสาภาพแล้วเพราะว่ามันมันมีมันมีงานตัวหนึ่งที่หนูกาลังเตรียมตัวเกษียณอายุค่ะแล้วหัดทาพวกออนไลน์เหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนว่าลองทําพวกออนไลน์ดูง่ายๆก็เลยใช้เวลาไปเยอะกับกับเรื่องของการฝึกฝึกงานออนไลน์ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าจัดระเบียบดีเรียบร้อยก็จะคงจะไม่เอาเวลาไปมามาแทรกแซงกับเรื่องของการนั่งสมาธิค่ะอืม เออแจะวางเฉยได้วางปล่อยวางร่างกายนล้ต้องมีควเบกขาพอมควาเบกขาอุปทามันก็หนึ่งแมมันก็จะหนึ่งให้ไปยึดไปติดทันทีอุปทานไม่ใช่อะไรนะเจ้าของกยอ๋อการยึดอืยึดร่างกายมาเป็นตัวเราของเราขึ้นถ้ามีอวเบกขาก็ไม่ใช่เราของเราอืมตกลง ก็ยอมหยุดเย็นเนี่ยยอมก็คือยอมให้ร่างกายเป็นไปเราหยุดหยุดไปยึดไปติดกับมันแล้วใจเราก็จะเย็นนั่นแต่เรายังไม่ยอมเรายังไม่ปล่อยใช่ไหมเรายังไม่ยังไม่ยอมปล่อยยังพยายามยึดอยู่นันอยู่ยังไม่หยุดยึดมันก็เลยมันก็เลยทุกข์มันก็เลยน้อยขึ้นมาครับถ้ายอมปล่อยป้บมันก็หยุดหยุดความยึดมันถือมัน มันก็เย็นขึ้นมาทันทีทุก อ, อยาก่างใช้ส่วนสามยอได้หมดนะใ้่ค่ะแล้วเอเอเามาใช้ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะเอามาใช้กับร่างกายเอามาใช้กับเวทนาเอามาใช้กับอารมณ์ของเราต่อไปเนะี่ยมันก็เหมือนครับตอนตอน <ผม S 2> ้ น, น, น, ต น, ตนเราใช้กับคนอื่นก่อนตอนต้นเราใช้กับคนอื่นก่อนใช่ไหมง่ายกว่า อ๋อตอนนี้ก็เริ่มมาใช้กับตัวเราหลังจาก <ะ S 2> ที่เราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์กับคนอื่นหรือว่าไม่ <ะ S 2> ยึดติคนอื่นได้การตั้งแล้วก็ปล่อยวางเรื่องทรัพสมัยเข้าวของเงินทองบุคคลนั้นบุคคลนี้ก่อน อ, อ่อืมต่อมาแล้วก็เร า, าปล่อยว่าปล่อยร่างกายของเราปล่อยเวทนาของเราตั้งก็ปล่อยอารมณ์ของเราแล้วค่ะนะโอเคน ะ, อะขอบคุณค่ะ ยอมให้ร่างกาเป็นอนิจจังทุกขงังยอมให้เมทนาเป็นอนิจจังทุกขงังยอมให้อารมณ์เป็นอนิจจังทุกขงังเราก็ควมมันไม่ได้เ้าค่ะขอบพระคุณค่ะอืมอ่าซันนี่เป็นยังไงซันนีเป็นแม่อยู่หรือเปล่าพีนแม่ขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะพระอาจารย์อะอทีนี้เป็นยังไงท้องลงว่าทองขึ้นรู้สึกน่าจะ สวิงสวิงอยู่ค่ะพระอาจารย์ไซเวยอยู่นะใช่แซกไเวยค่ะผมว่าอาจารย์รู้สับเลยนะคะเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็แม่ก็เฝ้าฟังบทวิเคราะห์ทุกวันแต่ก็ลปิดไปแต่แกก็ก็บอกว่าพยายาม ฝึกสติอยู่ค่ะก็คือจะพุทโทรตลอดในช่วงที่ทํางานหรือว่าในช่วงก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังดีค่ะพระอาจารย์ให้ให้ท่านก็บว่าอ น, นี่จัง น, นี่จังไม่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงได้ค่ะอาจารย์ควบคุมนะควบคุมมันคับมันไม่ได้สั่งให้มันขึ้นสั่งให้มันลงไม่ได้ <c oughs> ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะเอาไปบอกคุณแม่คะ่ะ ม, มันจะขึ้นก็ห้ามมันไม่ได้มันจะลงก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุก็อย่าไปยุ่งของมันดีกว่า ถ้าอายุของมันเราก็อยากจะให้มันขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมทั้งอยากให้ขึ้นทั้งอยากให้ลงค่ะคนที่เขาเล่นเขาอยากลงเพื่อช้อนซื้อแล้วก็พอซื้อแล้วก็อยากให้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากทุกโต๊ะค่ะเราสั่งมันได้ไ่มไม่ได้ไม่ได้แล้วก็รวยกันไปหมดถ้าสั่งได้ก็รวยกันไปหมดนะใช่ค่ะแต่ว่ารวยทั้งโลกไม่ไม่คุ้มค่ะหนูรู้สึกว่าไม่คุ้ม เพราะเดี๋ยวก็เดียวกต้องศูนย์ไปหมดเทุก อ, อย่างเวลาตายไปก็ยกให้คนอื่นไปหมดกลายเป็นของคนอื่นเขาไปหมดค่ะพ่ะอาจารย์ไม่เคยคิดกันเลยนะหามาแทบเป็นแทบตายหามาให้คนอื่นใช้นะลูกหลานยิบเลยเนี่ย ค, <laughs> คุณแม่คุณยายตายโอ๊ยเทงซับให้ใชายกัน เขก็บอกว่าเนี่ยหาไว้ให้หนูเนี่ยแหละถ้าหนูอยู่ถ้าแบบแม่ตายไปอยู่คนเดียวจะได้มีเงินใช้ตอนแก่ไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องหาให้หนูหนูก็มีของหนูหนูทํางานก็พอทําได้อะไรเงี้ยก็อยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเพ่มแม่เจ๊งแล้วแม่จะมีอะไรเหลือให้หูห <c oughs> <c oughs> อั้อตอนนี้แม่แม่กำลังอยู่เล่นแต่หนูจะได้เงินที่แม่ทำมา <c oughs> แม่เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยกัย ด, ด, ดแจ้งขึ้นมาก็ไม่มีเหลือให้หนูเลยเลย <c oughs> มไม่เชือาจารย <c oughs> ์ไม่เช่อาจารย์ได้แต่กําไรอย่างเดียวใช่ไหการพ น, นันมีทั้งได้มีทั้งเสียใช่ค่ะมีทั้งได้ทั้งเสียถึงเขาจะบอกว่าเป็นการลงทุนแต่มันก็มันก็กึ่งกึ่งอะนะคะว่ามัน <c oughs> เป็นการพนันด้วยเหมือนกันอืมลงทุนก็ซื้อแล้วก็วางไว้เฉยสิบปีขึ้นมาดูขึ้นได้อันนี้คอยฟ้าวันทุกวัน ซื้อขายซื้อขายทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นการลงทุนนะค่ะเป็นการแทงหวยค่ะพระอาจารย์จะนำที่พระอาจารย์สั่งสอนไปแจ้งคุณแม่ค่ะไม่ต้องหรอเดี๋ยวกายยาไปแค่ไปพูดแต่เฉพาะคนที่อยู่ที่นี่ก็พอคนที่นี่ฟันก็พอ แต่ว่าจะบอกแก่เดี๋ยวไม่บอกแกเดี๋ยวไม่บอกแกบอกไม่ตรงกับที่เราพูดเลยยิ่งไปกันใหญ่อบอกให้ท่องอนิจจังอนัตตาอนนิจจังทุกขังอนัตตาเล่นอะไรกับอะไรที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องเจอความทุกข์ค่ค่ะพระอาจารย์ที่ที่พระอาจารย์ พูดตอนต้นเรื่องโรงเรียนวัดนะคะหนูคิดย้อนไปหนูโชคดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ที่ได้ที่ได้เข้าโรงเรียนวัดตอนปอห้าปอหกแค่สองปีค่ะพอดีว่าย้ายย้ายบ้านแล้วก็โรงเรียนเก่าเขาขึ้นราคาคุณแม่เขาก็สู้ไม่ไหวเขาก็เลยให้มาเรียนโรงเรียนวัดไกลบ้านแต่รู้สึกว่า<ม>เป็นโชคดีของหนูมากเลยค่ะหนู<ม><ม>ได้พื้นฐานการสวดมนต์การฝึกนั่งสมาธิจากจา ก, จากโรงเรียนวัดจริงๆค่ะเพราะทุกวันศุกร์จะมีตอนเช้า ประมาณชั่วโมงกว่าเลยค่ะเขาจะให้สวดมนต์แล้วก็นั่งสวดมนต์ยาวแล้วก็นั่งสมาธินั่นแหะดีค่ะเดี๋ยวโรงเรียนว่าดีเงินก็น้อยค่าใชจ่ายก็น้อยแต่ได้ประโยชน์มากได้ก็ประโยชน์ทางน้ำจิตใจมากกว่าใชค่ะตอนนั้นยังเด็กอยู่แต่ก็รู้สึกว่ารู้สึกถึงความแตกต่างค่ะพออยู่โรงเรียนว่ารู้สึกว่าใจมันสงบขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้ได้ได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์พอสวดมนต์ก็แบบ จะมีแบบภาษาไทยที่แบบเป็นทํานองสารพันยาเกี่ยวกับคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ก็รู้สึกแบบท่องไปแล้วแบบก็ซาบซึ้งแล้วก็เหมือนแบบใจมันสงบจริงๆค่ะตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยได้เป็นบาดฐานมาของดีของให้คุณค่ากับจิตใจแต่คนสมัยนี้เขาไม่เข้าใจขเขาคิดว่าเป็นเรื่องร้านหลังเรื่องม ง, งาว่าไม่สามารถผลิตเงินทองให้เขาได้อันนี้ก็สนใจเรื่องเงินทองเนี่ย ทำไมนี้ก็บูชางานทองเป็นพระเจ้ามันค่ะก็เลยคิดว่าโชคดีมากคะ่ะที่สมัยนั้นยังได้ได้ได้เข้าไปมันทำให้เราเรทาให้เรามีมีธรรมะเราเรียนจิตใจมาตลอดนะค่ะถึงตอนโตจะแบบเรียนมาหาลายัยมันไม่มีพวกหลักสูตรพวกนี้มันก็ห่างห่างไปบ้างแต่ก็คือยังยังอ ย, งอยู่ในใจตลอดอะค่ะพระอาจารย์นี่ ก็ ห, หนูไม่มีคำถามอื่นค่ะพร okay. ะอาจารย์โอเคถ้าถึงถ้าคุณจอยต่อผลไม้ก็ได้จอยได้ยินไหมครับได้ยินแล้วมาแล้วลูกชาย <c oughs> ตอนนี้ไหมเหมือนเล็กเลย <c oughs> <c oughs> ตอนเช้าตอนเช้าเาหมือนซื้อบื้อเวลาใส่บาตเนี่เ <c oughs> ขารู้ตัวเองก่อนอะว <c oughs> <c oughs> ว่าเขาเป็นอย่างนั้น มีอะไรพูดกับน้องตาไหมไว่ายตั้งแล้วโมสวดมนได้ไหมลองสวดมนให้น้องตาฟังหน่อยได้ไหมถามอะไรถา ม, มที่ถามมาที่ถามพูดเขียงพ่อถึงแม่บ้างไหมบาเ <c oughs> นี่ยปากแหวงนะต่อไปปากแหวงนะ <c oughs> ปากแหวงบาดเบี้ยวนะตอนนี้เขาไม่แต่เขาบอเขาเรียนโรงเรียนวัดค่ะเขาก็สอนสวดมนต์ทุกวันแต่ว่าแต่เห้องห้ได้ไหม ไม่เราเรียนวัดแถวบ้านมาข อ, องน้องๆที่ก็สวยกันให้ตอนริรายการเนี่ยเอถึงว่าตอนต้นไงตอนต้นรายการอ่ะทุกสัต์มม ไ, ามาไม่ได้เข้ามาฝันเขาไม่ได้เข้ามาอ่ะเขาเพิ่งจะเข้ามาตอนที่หนูจะเข้าอตอ น, นที่ว่าจะาวถามหนูว่าปีอะไรแล้วหนูไปถามลูกสาวที่บ้านว่าไอ้จะถามลูกสาวว่า ว่าพระอาจาถามว่าปีอะไรลูกบอกว่าปีหกเก้าอืมไม่รู้ปีมามีหรืปีมาแสงอใช่ห่ะหนูรู้บอกว่าเราถามว่าถ้าเขาเปิดตอบตอบอะไรหนูตอบว่าปีหกเก้าหรือว่าเอาเป็นลำความใหม่ใช่ทำไมนี่เขาไม่สอนเรื่องวันขึ้นงานะแต่วันวันนี้วันกี่รมวันขึ้นกี่ขั้มอะไรกี่ข่ําก็ไม่รู้กันนะอ๋อเราจวมาจะถามเด็ที่มาใส่บาตวันนี้วันอะไรอืา ถามเขาไากี่ข้ามขึ้นนั่นแหละเราไม่รู้ ร, ร, รู้ไหมครับไม่รู้เขาว่าเราไปไปค้นหามาเพราะวันต่อไปเราจะถามเขาซ้ำอีกเนี่ยแต่ว่าวันสุกเร์หนไูไปใส่บาตรอยู่วันสุกรมันตอนที่ไม่อยากเกิดของหนูมันเกิดนะค่ะแต่ว่าพระเจ้บอกว่าไม่อยากเกิดเกิดเพื่อมันอยุดการเกิดนะให้คิดอย่างนี้ครับ ถ้ทาทำให้ไม่มาเกิด<น>ก็จะหยุดการเกิดไม่ได้ั น, นต้องกลอนมาเกิดการแล้วเกิดเพื่อหยุดการเกิดไม่ใช่มาต่อต่อต่ออายุของการเกิดให้มากขึ้นต้องหยุดหยุดต่ออายุได้แล้วพอต่อมาหลายรอบใช่ค่ะหนูแล้ว่มเข้าใจแล้วเริ่มมองทุกสิ่งอย่าว่าแบบเหมือนกับใครเนี่ยถามว่าหนูว่าหาเงินได้เนี้ยแล้วให้แฟนไหมคนเขาก็บอกว่าให้ทําไมเขาไม่ทํางานอะไรใช่ไหมแต่หนูก็บอกว่า ถ้าเขาอยากได้ก็ให้เขาไปพหนูต้องได้ชนใช้มั้งก็เขาอยากได้เลยเกินหนูไม่ให้ก็ทะเลาะกันอะไรอย่างนี้อหนูก็่ลยทะเลาะกันก็ต้องคอยพาสานกันใช่ค่ะตอนตอนที่เขาทําได้หนูก็พึ่งเขาตอนนี้เขาป่วยจิตป่วยใจก็เลยปล่อยออกไปอ่าช่วยกันแต่ยังมป็นแฟนกันอยู่ไม่ต้องดูแลกันไปมันถือว่าไม่ผิดไม่บาปใช่ไหมคะไม่เราเป็นหน้าที่ มันนั้นกานที่เรามีแฟนมีสามีมีภรรยาก็เราเหมือนคนเดียวกันเขาแลเราเป็นคนคนเดียวกันช่วยเลยไ อ, เ อ, อไม่ใช่ทอดทิ้งเวลาเขามีเงินก็อยู่เขาพอเวลาเขาไม่มีเงินเขามาขอเงินเราก็ไม่ให้เขาอย่างนี้เันแหละนั่นแหละค่ะหนูคิดแกตัวเลยหนูคิดอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่า <laughs> แต่ว่าคนในครอบครัวหนูไม่เข้าใจเขาคิดว่าเออทำไมต้องให้ทำไมให้คือเขาคิดว่าเอาระเวลาที่เขาเคยหาเลี้ยงหนูมาละ นึาก็คิดแต่ที่อาจาร์สอนอต้องมีความกตัญญูนะไม่ว่าใครก็ตามถ้าเขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องทดแทนเขาโดยเฉพาะเวลาที่เขาเดือดร้อนค่ะอ๋ออนันค่ะหนอก็สบายใจเพราะว่าหนูโดนบ่นหนก็เลยคิดว่าออมันมันจะผิดคิ ด, ด๋ต่เห็นแกนตัวไหมคิดตเอาตัวรอดนะค่ะ นล้วไม่คิดถึงวันข้างหน้าถ้าเกิดเราไปอะไรไปนะเราจะไปขออะไรจากเขาได้เพราะว่าวันในวันที่เานี้เราไม่ให้เขาใช่ไหม<ะ>ใช่โอ้โอก็คือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใช่น้ำพึ่งเมลเสี้ยวพึ่งป่ากคับยิ่ง ย, ยิ่งแบบได้ศึกษาหอมยิ่งได้อะไรเข้าไปเงี้ยมันยิ่งสร้างความเบาในตัวเราลงไปเยอะค่ะมันไม่ค่อยหนักเหมือน เมื่อก่อนแล้วอต่เมื่อการมีแต่กิเลสคอยหลอกเราเฮ้ยทำทำทำให้ตัวเราเองอย่างเดียวใช่อือวันนี้เริ่มถือว่ามันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วใครอยากได้อะไรก็เอาไปเถอะใครอยากจะอะไรก็เอาทําไปเถอะว่ามันไม่มีตัวตนอยู่แล้วอ่าใช่ีชเริ่มเบาลงแต่ว่าเลหลือแค่ยังนั่งนั่งสมาธิตอนนี้คือไม่ค่อยสบายเพรานั่งแป๊บก็เดี๋ยวไอ้อแล้ ว, วอะไรเราถ้าไอ้อีนิหนูต้องฝืนนั่งต่อใช่ไหมคะหรือไง ถ้ามันจำเป็นจะต้องาอก็อายได้แต่ก็นั่งต่อเหมือนเดิมไปนั่งต่อเหมือนเดิมไปหรือว่าคิดว่าไอยาแล้วเสียเลิกแล้วนอนเลยดีกว่ากิเลสมันชอบนะหาเรื่องหาเรื่องเลิกพอคิดว่าเนี่ยตั้งใจวันนี้อาบน้ำ6โมงเสร็จจะนั่งสมาธิแล้วพอไอปุ๊บเออไม่ไได้แล้วเสียเลิกแล้วนอนเลยไอายบ้างไม่เป็นไร แต่ยา<ด>แต่ ย, า, ตอยาอายเอาเป็นข้ออา้างพรจะได้เริกเรื่อนงนี้เป็นเรื่องของกิเลสค่ะค่ะแต่ว่าตหนูจะพยายามไม่เสียสิทธิ์ทรกวันให้ไดไ้บ่อยแต่ว่าหนูคุยกับแม่แล้วแม่ก็บอกว่าเหมือนแม่ก็ไม่ได้ขาดเท่าไหร่ถ้าถ้าไปหนูก็ต้องให้แม่มาอยู่กับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ฝากแม่ไว้วันสองวันไม่เป็นไรแล้วใช่ค่ะก็เราจะได้ไปปฏิบัติของเราบ้างคือหนูหนูโปรงใจว่าเออใครจะว่าไงก็สร้างเถอะเพราะว่า มันมันเรามาทําแล้วเราดีกับตัวเราอ่ะเราเราไม่ได้เสียหายไม่แล้วไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดี๋ยวนอะนใช่ค่ะแล้วก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะมันเป็นช่วงวันหยุดเด็กจะปิดเทอมเรานี่ต้องพยายามทําทนะถ้าไม่ทําก็จะไม่มีเวลาทำมันผ<ช>ัดไปเลยอยใ่ใช่หนูก็คิดอย่างนี้นคะคะเพราะว่าเราก็อยู่มากขึ้นปีนึงที่พระเจ้าบอกว่าอะไรนะที่อาจาจ้าสอนหนูว่าอะไรนะตอนเวลาผ่านไปใช่ไหมเราทําอะไรกันอยู่ใช่ไหมอ่าทางด้วง โอเคโอเคอ่าตัาฮะคุณอาพิเศษอาพิเศษโวหน้าพักหรือเปล่าเนี่ยกลาวนาสถารพระจักรพรครับอืาเป็นโวหน้าพักหรือเปล่ามีพักพวกัน่าคนละคนเลยคนละคนครับการนี้ไม่สนอะไรนะฮะไม่สนการเมืองนะอืมก็ ก็ติดตามอยู่ครับพ่อจันติดตามอยู่นะโอครับก็เมื่อก่อนที่เข้ามาก็คุยกับพ่อจารย์เรื่องอพ่อจันเรื่องนั่งให้เจ็บเนะะาะพ่อจารย์ก็บอกว่าซ้อมไว้เนะะาะพ่อจันครั้งก่อนที่เข้ามาเออเพราะว่าเราจ็บข่ายได้ป่วยจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้ไม่เดือดร้อนคุณเคยไว้เนาะที่พอ่อจย์แนะนำเมืนน่อก่อนครับมวยถ้าไม่ซ้อมวันเดียวลาขึ้นเวทีถูกเขาชกเนาะยังไม่รู้จักวิธีสู้กับเขาครับ ครับเข้าใจแล้วครับเรียนนี้ครับอาจารย์ก็จะประมาณนี้แล้วก็เข้ามาวันนี้ก็อาจารย์ Al ก็แนะนําหลายๆคนได้ฟังแล้วเอเข้าใจเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับอาจารย์<ด>ก็นเนี่ยมันเป็นคุณของ ค, ค ร, อรูบาอาจารย์ที่มีปัญญาที่แหลมคมเนี่ยเราเราต้องเชื่อครูบาอาจารย์ไว้ก่อนเพราะว่าเอในความคิดของผมเนี่ยครูบาอาจารย์มีปัญญาที่หญญทแหลมคมมากอบางเรื่องเราอาจจะมองไม่ไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้า ใช่เราไม่เข้าใจเรื่องใจของเราไงว่ามันเป็นยังไงมันสุขมันทุกข์ยังไงเราไม่รู้หรอกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเรานี่มันจะคิดว่าเอาแต่กินอย่างเดียวถึงจะมีความสุขใช่ไหมเอาแต่กินเอาแต่เล่นอย่างเดียวเหมือนเด็กอ่ะครับเป็นความไม่เข้าใจเนาะพระอาจารย์เรนเป็นความหลงไปเนาะอาจารย์ความหครับมันเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เอ่อเรียกว่าขาดสติไปจนไม่สามารถที่จะรู้ในสิ่งเหล่านั้นได้เรียกว่าทน ทำให้ใจเราสุขได้ยังไงอย่างแท้จริงไม่รู้จักวิธีทําใจให้สุขทำใจให้ทุกตัวได้เยี่ยมเป็นความสุขเวลากินก็สุขอ่ะพอไม่ได้กินขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาครับใช่เพราะว่าถ้าถ้าหาัดหันอดกิน้ากมันก็ต่อไปเวลาไม่มีกินก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมครับใช่ครับหันอยู่กับความเจ็บบ้างต่อไปเวลาเจอความเจ็บมันก็จะไม่ทุกข์แต่คุณไม่เอา คนไม่ชอบกินยาขมเงี้ยชอบกินยาหวานเงี้ยใช่ไหมทำให้มันเป็นเหมือนยาขมนะให้เราฝึกอยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายไม่มีใครชอบหรอกชอบจะอยู่กับความีสวยๆงามๆของน่ากินน่าใช่น่าดูน่าดูน่าฟังกันครัแต่ไม่มาว่ามั น, นมันเป็นบัญญอนยาเสพติดนะพอพอติดแล้วเวลาไม่ได้เจอมัน่็เศร้าส้อยห้อยเหงาเลย อ่าใช่ครับอืแต่ถ้าทําตามครูบาอาจารย์บอกก็จะไปพบกับความสุขที่แท้จริงนะครับอาจารย์อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีอะไรอันนี้คือความความที่ครูบาอาจารย์ท่านรู้แล้วท่านแนะนําในทางที่ถูกต้องครับนั่นแหละแต่พาะเราไม่ยอมทําตามมานเลยก็พยายามอยู่พยายารทำต้นเดินเนื่องอยู่ ใช้เวลาก็พรางไว้เรื่อยๆเหนือเห็นความจริงเผยพผยขึ้นมามากขึ้นพอยิ่งแก่ยิ่งเจอความเจ็บความทุกข์มากขึ้นเหมือนกันจะเริ่มเข้าใจมาทำไมเพราะ <ไป S 2> าเรา <S <S จะต้องมานั่งกันมามาต้องอดทนนั้นแข็งมาทรมานกันเพื่อฝึกซ้อมว่าต่อไปเราจะต้องเจอความทุกข์ทรมานต่างๆเราจะได้ผ่านมันไปได้กรับอาจารย์ครับกลับขอบพร ะ, ค, รพระพรคุณพระอาจารย์ครับลบคุนพระอาจารย์ประมา คุณอุสาหคิดวันนี้จะไม่ได้เข้ามาซะแล้ ว, วนึ ก, ากาว่านวัตการรบค่ะอาจารย์คิดว่าไม่ได้เข้าเหมือนกันค่ะอาจารย์ <c oughs> อืก็โชคดีได้เข้ามาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายมเจอบททดสอบค่ะอาจารย์และยมคิดว่าโยมยังไม่ผ่านสักเท่าไหร่ค่ะคือมันมีเ ม, มื่อวันอาทิตย์ค่ะมันมีเงินโอนเข้ามาในบัญชียมสี่ร้อยโอนเข้ามาปุ๊บ สักครู่หนึ่งก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนคืนเขาโยมก็นิ่งโยมก็ถามว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกเขาอยู่อ่างทองเขาไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะเขาพูดอย่างนี้พอเขาบอกเขาไม่ใช่มิจฉาชีพปุ๊บโยมลืมตัวล้วค่ะบอกว่าไม่โอนไม่คืนแล้วโยมก็ตัดสายไปเลยค่ะอาจารย์แล้วโยมก็มีเขาก็โทรเข้ามาอีกแต่โยมบล็อกไปแล้วโยมก็โทรไปถามตํารวจที่รู้จักกันนะคะเขาบอกว่าพี่อย่าโอนนะที่ไปแจ้งความเลยโยมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะคะ่ะ ระหว่างที่โยมขับมอเตอร์ไซค์ไปมีโทรศัพท์เสียงเข้าตลอดทางเลยนะคะตั้งแต่ร้านไปถึงโรงพักแล้วโยมก็ไปแจ้งความค่ะแล้วก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็ปรากฏว่าเขาแอดไลน์โยมเข้ามาสามคนเลยค่ะจาย์คนที่โทรเข้ามาบอกว่าให้โอนคืนเขานะไม่งั้นจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์พอยมอ่านตรงนี้ปุ๊บโยมว่ามันแปล ก, กแล้วนะคะโยมก็เลยให้ตำรวจดูแล้วตำรวจบอกว่าพี่ก็ตอบเขาไปว่า ให้ไปแจ้งความแล้วก็ไปติดต่อธนาคารค่ะยมก็เสร็จแล้วก็ยมก็กลับมาที่บ้านค่ะแล้วเขาสามคนนั้นยมก็บล็อกหมดค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็เข้ามาในแชทไลน์สนในแชทนะ้าในช่อง messenger ค่ะอาจารย์ยมคิดว่ามันผิดปกติระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีเขาสามารถหาข้อมูลยมเข้ามาในแชทได้อ่ะค่ะอก็บล็อกหมดค่ะบล็อกบล็อกทั้งไลน์บล็อกทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ โยมก็เลยนิ่งไว้แต่ว่าโยมอารมณ์โยมยังรู้สึกคุกกลุ่นยังคุกกุ่นโยมยังคุมอารมณ์ไม่ได้แต่คําของอาจารย์บอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็เลยมานั่งคุมสติสักพักหนึ่งค่ะอาจารย์แล้วก็ยังกังวลว่าเขาจะเข้ามาก่อกวนไหมอะไรประมาณนี้นะค่ะยังกังวลอยู่เพราะอานารยโยมก็เลยไปธนาคารไปแจ้งความจํานงที่ธนาคารว่า มันมีเงินโอนเข้าบัญชีผิดมาให้เช็คด้วยแล้วก็ถ้าเขาจะโอนคืนยมก็ยินยอมนะคะแบบนั้นค่ะอาจารย์ยกแน่งกับธนาคารไม่เรียบร้อยแล้วยมก็อมพอยมฟังอาจารย์ไปเมื่อตอนต้นๆ น, น, นะคะยมก็มาคล้องใจว่าไอ้เงินสี่ร้อยนี้ยมควรจะคืนเขายังไงอ่ะค่ะอาจารย์หรือว่ายังไงก็ถามขั้นตอนของธนาคารดูเขาทำยังไงค่ะธนาคารก็บอกเพืพ่อจะได้การไม่ได้ถูกหลอกแค่นี้ใช่ค่ะ คือธอนาคารก็ บ, บอกว่าไม่ต้องโอนไปเดี๋ยวถ้ามีอะไรเขามาเขาจะติดต่อยมมาเองเออนั่นต้องทำตามขัม้ตตนตอนของตํำรวจของธนาคารยังดีกว่าเพรเพือ่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพ ม, มาหลอกลวงเราใช่ค่ะยมพยมมาดูที่เขาส่งลายมาเขาเหมือนกับเขาคุกคามอะค่ะจารนเ<ม>ขาบอกปู่ยมบอกว่าไอ้กลัวไม่กลัวค่ะไม่กลัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอารมณ์มันมีอารมณ์มันมันมันมันยังเหวี่ยงค่ะจานแล้วก็ยมบอกเอาเรายังไม่ผ่าน แล้วนึกถึงคําของอาจารย์มันก็เลยสงบลงค่ะอาจารย์มันสงบเราต้อใช้เฉยเฉยใช้เหตุใช้ผลเนอตั้งสติไว้ใชคิดว่าวิธีที่ถูกต้องที่สุดควรจะเป็นอย่างไรก็ส่งเรื่อไปแจ้งความบอกตํารวจให้เขาทราบก่อนแล้วเราได้เงินก็ามาจริงแต่เราไม่รู้จะคืนเขอย่างไงจะให้ทํำยังไงตํารวจก็ไม่ให้โอนนะคะตํารวจบอจกไม่ผ ใ, ใ, ให้ไปธนาคารวันจันยมก็ไปติดต่อธนาคาร แล้วก็บอกว่าโยมยินยอมยินดีนะคะจะโอนให้คืนเลยก็ได้แต่ธนาคารบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะดําเนินการเองแบบนี้ค่ะก็คาใจว่าเป็นสี่ร้อยของเขาที่อยู่ในบัญชีโยมอะค่ะจะรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาผักกลนั่นถ้าเราไม่มีความโลบอยากได้ก็ไม่ไม่ไม่ก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาไม่ใช่เป็นกิเลสอ่าไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราหวงยังอยากจะเก็บไว้อยู่นี่เป็นกิเลสึ้นมาไมค่ะจะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นะคะโยมฝันว่าอันนี้โยมฝันนะคะว่า โยมอ่ะไปเห็นแหวนแล้วก็แหวนทองโยมก็ไปหยิบขึ้นมาโยมเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวผิดศีลเป็นของคนอื่นโยมก็ว่าเออวาถ้ามันอยากได้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเริ่มไป็นกิเลสนะถ้าพออยากปั๊บแล้วเอามาความมากเข้ากระเป๋าตรเนี่ยก็ผิดศีลนะค่ะแล้วก็เขาบอกก็ดยื่นเสียงว่าถ้าพี่ไม่เอาผมเอาทั้งนั้นบอกว่าทั้งนั้นพี่เอาพี่เอาไว้บอกตำรวจไปแจ้งความค่ะอาจารย์ในฝันว่าจมไปแจ้งความแล้วปรากฏว่าในความเป็นจริงโยมก็ไปโรงพักจริงๆค่ะอาจารย์อื เราทำถูกแล้ทำถูก แ, แต่ว่ า, วาพทำแบนี้เราไม่รู้ว่ามนเป็นยังไงคนจริงคนหลอกไม่รู้ว่าเป็นยังไงโยมไม่ได้คิดว่ากังวลเลยค่ะนี่ถ้าเด็กคนใกล้ๆ ก, กันเนี่ยโยมก็จะให้แต่นี่มามจากทองแต่โยมก็คิดว่าการโอนผิดมันอาจเป็นไปได้เพราะโอนพร้อมเพลงไงคะอาจารย์แต่มันมาถูกใจว่าในระยะเวลาสองนาทีมีคนแอดไลน์เข้ามาเข้ามาถึงสามคนแล้วเข้ามาในแชทตนตัวโยมหนึ่งคน ยมมันผิดปกติมันเป็นกระบวนการเกินไปค่ะยมก็เลยบล็อกหมดเลยค่ะบล็อกทั้งในไลน์บล็อกหมดเลยค่ะอาจารย์บล็อกหมดถ้าเราไม่รู้จักเขาเขาไม่น่าให้เขาเ ข, าเข้ามายุ่งกับเราใช่ค่ะยมก็บล็อกหมดเลยเลยแต่โยมก็มันรู้สึกกับสี่ร้อยที่อยู่ในบัญชีเนี่ยค่ะอาจารย์ตอนนี้เกิเข้าไปได้ยังยังค่ะธนาคารยังไม่ดําเนินการอะไรเลยแต่โยมไปติดต่อธนาคารไว้แล้วค่ะธนาคารเขาจะยมก็อยู่คิดว่ากำหน้าทีา่อนไข แต่ถ้ายมเอาสี่ร้อยออกมาที่มาทําบุญก่อนได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขบวยเงินเขาอย่างเงี้ยเอายังไม่ได้ให้เราก็ขอคืนแล้วเอามาทําบุญนี่ไม่ได้นะอ๋อค่ะยกได้บุญครับได้บ้างมันกระอัตกระอ่วนใจว่าเงินเขามาอยู่ในบัญชีเราอยู่ที่ใช้อยูชอเบะขาดีที่สุดเราคำสั่งจากตารวจเราคำสั่งจากธนาคารเขาแค่นี่ก็เป็นหน้าที่ของธนาคารนะคะก็นโจมก็ลอยตัวเกี่ยวกับเรื่อง คดีเปิดบานอะไรบัญชีม้าอะไรยมก็ไม่ต้องอะไรแบบนี้ยมยมปลอดภัยไปแล้วอะคะอ่ะอเดี๋ยวทำงี้ถูกต้องแล้วตอนนี้เราก็วางเฉยรอรอคข้รารอคําสั่งเนี่ยท่านประานค่ะตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มีอะไรรล้วค่อาจารย์เดี๋เพียงเนียวว่าเฮ้ยเรายังกุเหวี่ยงอยู่อารมณ์เรายังสวิงอยู่คือยังคุมไม่ได้อะคะอ่ะปุ๊บเดีจะได้รู้ต่อไปเราต้องพัฒนามากกว่านี้เราต้องเน่นมากกว่านี้แล้วก็ พอตอนกลางคืนคืนนั้นโยมก็นั่งภาวนานั่งภาวนาเสร็จไอจิตเรานี่มันน่ากลัวนะคะจาย์มันปรุงขึ้นมาบอกว่าโอนเงินคืนเขาประมาณนี้ค่ะโอนอเงินเขาแล้วก็เหมือนกับมีเสียงมีรูปอะไรขึ้นมาเยะว่าไอจิตมันเรามันปรุงขึ้นมานี่มันน่ากลัวนะคะจริงๆแล้วจิตเรามันปรุงเองทั้งหมดเลยความจริงเรโอนเงนเขาแล้วก็ไม่รู้เบอร์หมายแรกอย่างนี้ไ คือมันก็มีเบอร์บัญชีเบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่เขาโทรมาค่ะจานเขไม่ได้เขาไม่ได้ใ้ทั้งหกเบอร์ทั้งเก้าเบอร์เขาให้แค่สี่สี่เลขเท่านั้นเองค่ะทีนี้ก็เลยเออตอนนี้ยังยังไม่กล้าทําอะไรทั้งสิ้นค่ะจารย์เพราะว่าไม่งั้นมันจะเข้ามาสู่บัญชีบัญชีของเราได้อะค่ะในกรณีนี้เราให้ทางธนาคารเขาช่วยจัดการให้ยมก็เลยบอก ใจเรามันปรุงยังปรุงยังเวียงแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะจาย์ตอนนี้นิ่งไปแล้วค่ะแต่วันแรกพอเจอปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกแบบ ม, มันมันมีอารมณ์โกรธอะคะ่ะจารย์มันเหมือนเราเออถูกฟามค่ะก็้องมองในแง่เดียวเผือเขาเดือดร้นอนจริงๆก็ได้ใช่ค่ะตอนนั้นโยมโยมก็คิดว่ามันเป็นไปได้ว่าเขาโอนผิดโยมก็เลยเออใน facebook เพราะว่าโยมคิดว่าเขาต้องอ่านเพราะว่าเขามาในแชทโยมได้เขาจะต้องรู้ว่าโยมคือใครอย่างเงี้ยค่ะ เขามาขู่โยมในนางอุตสาเฟื่องฟูเขาขู่โยแบบนี้เลยนะคะจันก็เอาเป็นว่าเราไม่ได้อยากได้เงินคุณอะไรประมาณนี้ค่ะจันโยมก็อมันเหนื่อยตรงที่ว่าเราอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่ว่าก็ถ้ามันก็เป็นบททดสอบทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องอุเบกขาให้มากกว่านี้จะต้องกว่านี้แต่ก็ก็ยังดีค่ะจันที่โยมไม่ไม่แสดงอะไรใส่เขามากไปกว่านั้นโอเคไม่อะไรมั้ย ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์แต่ก็ยมก็ได้คำตอบจากที่อาจารย์คุยกับคุณปังไว้เลยว่าไอายามหยุดเย็นเนี่ยมันต้องเอากลับมาใช้กับตัวเองด้วยมาดูอารมณ์ตัวเองด้วยยมว่านะเราก็กลับ ก, ก็ก็ใช้ได้อยู่ค่ะอาจารย์รู้สึกยมขอบอาจารย์นะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆะะเลยค่ะาคุ่ะคุณสญญนตินันท์ใช่แะว การพาจาย์เจ้าค่ะเป็นยังไงสบายดีแล้วพาหนูก็สบายดีค่ะก็ยังก็ยังหนาวเหมือนกัิมค่ะพาจา์แต่ก็อุณหภูมิก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพอาจารย์ยังต่ำอย่างต่ำหมดส่วนอยู่ตอนนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ขึ้นมาแล้วค่ะอาทิตย์นี้ค่ะแต่ว่าน้ําแข็งหน้าบ้านก็ยังก็ยังก็ยังไม่ละลายนะยังไม่ละลายค่ะยังไม่ละลายแต่ก็น่าจะภายในอาทิตย์นี้ค่ะของหนูของหนูอยู่ใต้อ ของคุณจริงๆนะใช่ค่ะของดิวิอห์หินบอกว่าหนาวสุดในรอบ63ปีแต่ของหนูยังไม่ขนาดค่าพ า, าร์ตานอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็หนูคิดว่าหนูได้รถแล้วหนูดีใจหนูไปวัดบ่อยมากเลยค่ะขับได้รถมาแล้วหนูขับรถไปวัดขับไปวัดไปทำบุญอย่างเนี้ยค่ะรถที่ธนาคารที่บริษัทประกันเขาซื้อให้นะค่ะคือ ทางประกันนี่เขาจะจ่ายเป็นเช็คมาให้อะค่ะเขาไปประเมินราคาว่าถ้าเอารถเราไปซ่อมเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเขาก็เลยตีว่ารถเนี่ยเสียแล้วก็คำนวณดูว่าไมล์เลเท่าไหร่รถปีอะไรควรจะได้เงินคืนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ส่งเช็คมาให้หนูแล้วถ้าหนูจะไปซื้อรถอะไรหนูก็ต้องไปหาเงินหรือ finance เพื่ไ ป, ไปทำ ขับเพื่อให้ได้รถที่ใหม่ขึ้นอยังไง น, นะคะเรอยากจะซื้อรถใหม่ก็ได้แต่ก็ต้องจ่ายชวนตามไปใช่ค่ะพระอาจารย์คือเขาก็จะให้เฉพาะค่ารถ<ด>ประเมินที่เร<ด><ๆ>าเราผังไปเร<ช>าต้ององซื้อรถใหม่หรือซื้อรถเกา่าหนูซื้อรถปีที่แล้วอะค่ะรถเก่าค่อขนอข้างใหม่ค่อนข้างจะใหม่อะค่ะแต่ก็มันก็ไมล์เลชมันก็ต่ำหน่อยก็จะได้อยู่กับเราไปได้อีกนานๆแต่ข้อเสียก็คือเราไม่ได้คาดเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้น แต่เราก็เตรียมใจว่าเออถ้ามันจะเกิดมันก็ก็ยินดีก็ก็ถือว่าคือคุ้มค่ากับรถเก่าของเราเปล่ารถใหม่เหรอค่ะรถใหม่ก็ย่อมจะคุ้มค่ากว่าค่ะพระจางแต่เพียงแต่รถเก่าก็เทวะไรกําไรค่ะค่ะแต่รถเก่าก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ควรจะทิ้งแล้วมันก็ยังโอเคอยู่กันมาเลยค่ะก็เรื่องบุญบุญหนนทับหรือแบบนี้่ถึงข่าว ต้องได้ของใหม่ <laughs> <laughs> โดยไม่ได้คาดคิดค่ะอาจารย์ถามอทิตย์ที่ผ่านมานี่หนูก็จริ ง, รงๆก็มีเรื่องที่น่ายินดีอะค่ะหนูไม่ทราบว่าทางเมืองไทยมีข่าวเรื่อง Walk for Peace หรือเปล่าค่ะที่เป็นที่พาร์ติกาลูใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายท่านจะเดินทางมา อ, อ, อยู่แถานี้ แ, แล้วค่ะวันนี้ก็เห็นเห็นอยู่ในยู u ูบเขาลงกันู้ใจหนูฟูมากเลยค่ะอาจารย์หนูเห็น คือหนูทราบว่าศาสนาของเรานี่คือก้าวไกลในฝั่งตะวันออกแล้วแต่หนูไม่เคยเห็นว่าจะมีฝรั่งมายืนรอรับพระเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยค่ะันแล้วใจมันฟูมากเลยค่ะหนูเห็นท่านเดินมาจะมารับแบบมาเห็นละครเลยเขาบอ <c oughs> ไม่คือ <c oughs> พระท่านจะเป็นพระเวียดนาม <c oughs> คนหลักนะคะเป็นคนเวียดนามคนลาคนไทยคนศรีลังกาคนพมา่า อ, อย่างเงี้ยนะคะ แล้วท่านก็อาจจะสลับสลับกันเดินไปเดินมาแต่คราวนี้ก่อนจริ ง, รงๆก่อนที่จะมีโครงการเนี้ค่ะหนูรู้จักหลวงพ่อองค์หนึ่งที่ท่านมาจากฟลริดาแล้วท่านก็เป็นคนที่เดินจากฟลริดาไปทางตะวันตกแล้วก็ปีที่แล้วก็เดินจากฟลริดาไปทางในแองกล่าฟอลแล้วก็เริ่มกลุ่มเดินในอยุโรปอะค่ะ hmm. ก็เป็นคนกันที่ถ้าองค์ไหนที่มีภารกิจท่านก็จะบินกลับมาแล้วก็พอเสร็จก็จะกลับไปเดินต่อ แต่เหมือนปีนี้เป็นปีที่เห็นพระที่มาจากหลายประเทศนะคะแล้วหนูคาดว่าท่านอาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากอะคะ่ะ mm hmm. แล้วท่านสามารถพูดตรงประเด็นเวลาที่ไปจุดไปหยุดตามจุดต่างๆท่านก็จะให้สุนทรพจน์ใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็จะถามคำถามแล้วหนูฟังเมื่อวานนี้เนี่ยเออคือเขาไปหยุดกันที่ National Cathedral ซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากะคะ mm ่ะ hmm. ว่า จริงๆแล้วมันไม่มีศาสนาตัวศาสนาจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงๆหรอกความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในทุกคนมันไม่ได้มีคําว่าศาสนาเป็นแค่สมมติอย่างนั้นนะคะแล้วพอหนิวหนูเห็นว่าแม้แต่คนที่เป็นคริสเตียนเขาไม่ยืนหลอรับกันเป็นพันแล้วมันก็รู้สึกว่าเห็นเห็นพระของไทยอย่างน้นเดินเข้าไปทีละคนทีละค น, ละคนแล้วท่านก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวงจรปฏิจจสมุทร ป, ปาทการทําสมาธิ พูดว่าการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยการทำงานมันเป็นยังไงรู ป, ปรฎกิมเสียงสัมผัสเป็นยังไงแล้วเราจะหยุดความฟุง้งซ่านลำคาญใจด้วยการใช้สมาธิหยุดแอไซายตี้หยุดพวกแพนิกหรือว่าหยุดปัญหาที่เกิดในสังคมประเทศตะวันออกหยุดความหยุดความเขาเรียกว่อะไรคะความความทางใจอะค่ะกิเลสที่อยู่ทางใจได้ยังไงนะคะ ท่านก็จะเล่าให้ฟังถึงความสําคัญของการมีสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําไมมันถึงจะเกิดปัญญาได้ทําไมจะต้องเพื่อที่จะมาหยุดการเมียนว้ายไตเกิดเพรหนูฟังแล้วมันมันมันรู้สึกว่ามันตรงอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็รู้สึกดีมากที่ในขณะที่ท่านพูดอะคนที่ยืนรอฟังก็ยืนพยักหน้าพยักหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันดีอะค่ะมันใจมันเลยดีแล้วหนูก็รู้จักพอดีตอนที่หนูไปวัดก็มีแม่ชีแต่เป็นแม่ชีฝรั่งนะคะ บินมาจากฟลอริดาเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมาฟังสุนทรพจน์อย่างเงี้ยค่ะหนูเห็นแล้วหนูก็เลยซึ้งใจว่าโอศาสนาพุทธของเรามันมันกว้างขวางมันแผ่ขยายไปได้ไกลขนาดนี้โดยที่หนูไม่เคยเห็นคนที่มายืนรวมตัวกันมายืนรอรับได้เยอะขนาดนี้ค่ะมันก็เลยมันก็เลยมีความสุขค่ะพอาจารย์ mm. นั่นแหละคะ่ะเราฟังแล้วเรารู้สึกใจฟูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ mm hmm. พระที่ ทังวัดของหนูก็มีองค์หนึ่งไปยืนเข้าแถวรออุณหภูมิที่มันติดลบขนาดนี้ท่านต้องแต่งตัวขนาดไหนลบขนาดคนยืนเฝ้ารอนี่ยังแต่งตัวกันท่านก็เอาบาทแล้วก็เอาบาทที่เป็นครบชุดอะคะ่ะเอาไปถวายพระแล้วก็มีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งท่านก็เป็นส่วนของสมชาสงของไทยในอเมริกาท่านก็ไปพูดเปิด ตอนที่เขาไปนั่งคุยกันที่ American University เมื่อวานเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ฟังว่าวปรับปลื้มใจแทนนะคะว่าศาสนาของเราไ ด, ได้แผ่ขยายไปกว้างมากๆโดยที่เราอาจจะคิดไม่ถึงคนที่มาเข้ามาฟังก็มีทั้งไม่ว่าจะเป็นพวกสแตนชก็มีพวกคนข่าวคนนำขึ้นคือมากันทุกประเภทเลยะ ค, ะ mm hmm. ค่ะค่ะมันก็มีความสุขอะคะ่ะในขณะที่สังคมทั่วๆไปของอเมริกานี่ก็ยังมีความ แก่งแย่งกันอยู่ยังมีการต่อสู้กันมากมายอย่างเมื่อสองวันก่อนโรงเรียนโรงเรียนลูกสาวของจิ๊บว่ค่ะก็มีสกูลชูติงเด็กทำปืนมาเองเพราะว่าทะเลาะกันในโรงเรียนอย่างนี้นะคะ่ะก็มันมันมีเรื่องที่ไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันผมก็เห็นถึงความสังคมที่ป่วยของที่นี่นะคะอาจารย์ เม่อผัว้องตุกแข่งทุกคนแล้วถ้ากาศศาสนาเมาื่อไหร่แล้ววุ่นวายมานั้นน่ะค่ะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะก็พอพอเห็นข่าวนี้มันก็ทําให้จิตใจเราฟูขึ้นมากมากค่ะพระอาจารย์ไม่ยถึงค่ะแล้วก็มีความสุขดีค่ะพระอาจารย์มันต้องให้เราปฏิบัติให้มากขึ้นจะดีกว่าค้ะพระอาจารย์ค่ะพรฟังรู้สึกเหมือนกับมีกําลังใจมากๆเลยอะค่ะอ่าเออเนี่ อาไบลาจะเดินข้ามทวีปก็ได้เป็นแม่ชีคนแรที่เดินข้ามทวีปสาธุพระอาจารย์เดินก็คือเดินการเจริญสติการเจริญสติตลอดเวลานค่ะนั่นแหละค่ะพระอาจารย์แกก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะสาธุคุณหมอเดินคุณหมอเจริญ ดูคุณหมอทุงเรืองขอไปไนดะ้หันชื่อผิดครับน้อมาาารสกษาครับอาจารย์วันนี้รอนานนะทำไมครับอาจารย์ปรีผมไปอเม ร, ริกามาครับก็เลยไม่ได้เข้ามาก็ไปติถิมะครับอาจารย์แต่ก็ยังปฏิบัติทําเหมือนเดิมครับอืมมีอะไรไหมวันนี้ก็เข้ามารยงานพระอาจารย์ยังรักษาสินแปดเหมือนเดิมนะครับ อ่าเรเวลาไปเดินทางไปนี่ก็ยังปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่ปฏิบัติปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ย mm ัง hmm. สวดมนต์ก็จะเจริญสติตลอดเวลาครับไปทำเหมือนเดิมครับอื่พยายามรักษา <c oughs> การปฏิบัติไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทํำได้ครับพระอาจารย์ผมมีคําถามว่าพอถึงจุดสงบแล้วครับอาจารย์ตอนเนี้มันได้ถึงตรงสงบแล้ว mm hmm. เราต้องทํายังไงต่อครับอาจารย์ให้มันสงานานๆ่ย ไป ย, ยาวไปเรื่อยๆใช่ไหมใยิ่งงานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีต้องถึงแบบหลายๆชั่วโมงเลยไหมครับอาจารย์ก็แล้วแต่ถ้าได้หลายชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีคราวนี้เราต้องการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนความสงบนี่มันเป็นเหมือนไฟของของใจนั่ใจเราถ้าไม่มีความสงบมันจะร้อนแล้วมันจะทําอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์แต่ถ้าใจเรามีสมาธิมีความสงบบรใจเราจะเย็นเราจะทําอะไรด้วยเหตุด้วยผลทําด้วยปัญญา ถ้า<น>ไปไงแสดงว่าเราก็ต้องเข้าสมาธิบบ ม, มีโอกาสริบนั่งสมาธิให้มากที่สุดนะจ๊ะใช่ตอนนี้เอาตอนนี้เราหมายว่าซื้อซื้อแบตเตอรี่มาใหม่ซื้อมือถือมาใหม่อย่าเพิ่งใช้มันเพรนี้ชาร์จแบตมันชาร์จให้มันเต็มก่อนครับก็ต้องนั่งให้ได้แบบปพยายามนั่งให้ได้หลายๆชั่วโมงไปเลยนะครับหลายชั่วโมงหลายรอบด้วยครับจนเราคิดว่าเราใจาเราสงบทั้งวันทั้งคืนทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิทั้งในขณะที่ออกมา นั่นแหละถือว่าเราได้ชาติจแบบเต็มที่แล้วครับแล้วเราค่อยค่อยไปทางปัญญาหันใจให้มองร่างกายของเราไม่เที่ยงบรรทุกไม่ใช่ของเราครับครับก็ต้องเอไปยุ่งเรื่องจริงๆต้องยุ่งเรื่องทางโลกให้หน้อยที่สุดเท่าที่จ<ช>ําเป็นเท่านั้นนะครับใช่ใชถ้าเราไปแบบไปยุ่งมากใช้ความคิดมันก็จะไม่สงบครับใช่ครับถ้าบางวันอย่างประชุมมันก็จะทั้งวันนะครับพระอาจารย์ก็จะไป ไปอยู่กับตรงนั้นตรงนันทั้งวันครับแล้วต่อไปก็อยาังคาอยากเจ้าอบวยนะถ้าอยากจะไดนะ้คามเต็มที่ครับตอนนี้ผมถึงจุดที่เรียกว่าอยากจะรักษาสินแปดไปตลอดชีวิตแล้วครับอาจารย์คื อ, ค, อคือไม่อยากไปอะไรแต่ว่าคือยกเว้นวันไม่สบายนะครับอาจารย์ก็อยากจะรักษาสินแปดไปแล้วก็ตอนเนี้มันมันเริ่มเข้าถึงความสงบง่ายแต่มันยังไม่นานนะครับอาจารย์ใช่ต่อไปทาให้มันนานครับพนะอมันนานแล้วต่อไปมันก็อยากจะไปอยู่แบบพระนะไม่อยากจะยุ่งอะไรนะ เขไม่มีอะไรดีเท่าความสงบเลยครับอาจารย์เดี๋ยวตั้งแต่นี้ไปจะลองเอาให้านขึ้นหนานขึ้นกับพระอาจารย์ก็ต้องเติ่มขึ้นครับจะต้องหลบหลบเอาเวลาที่ใช้กับทางโลกให้น้อยๆครับยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปใช้ทางปัญญาเนี่ยครับรอาาจย์ทางปัญญามันต้องใช้ความคิดคิดแล้วใจมันจะไม่สงบครับพระอาจารย์ครับผมต้องการทราบความสงบก่อนครับพระอาจารย์ครับก็ครับให้ให้สัญญากับที่ฐานกับพระอาจารย์ครับ Mm. ดูจะนั่งเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก่ <Yeah. S 2> อนเลี้ยงตรงนี้ต้องนานกว่านี้แล้วครับดีโ uh, <Okay. S 2> อเคสาธุครับรอาจารย์ท่าแข็งแร ง, งนะครับอ <Yeah. S 1> เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ได้ไปกับพระอาจารย์ครับอ่าเ uh, ชิญน yeah. ะคับอาจารย์อ่า uh, คุณบะนามตาบะนามกราบนมรดการครับอาจารย์เวิ่งไงตอนนี้หนาวไหมที่เซเริ่ม อากาศตีมากเลยค่ะปีนี้หลวงพ่อไม่หนาวเนะาาไม่หนาวเลยค่ะมีแดดแล้วก็ยังเขียวชอุม่มมีเอ่อฟรีซบ้างแค่ไม่กี่วันเองจ้ะค่ะเออรวมอากาศดีใจสบายดีจ้ะค่ะกายก็ <c oughs> <c oughs> อยู่กับความปวดดีเห็นทุกขเวทนาแล้วก็ไม่ทุกกับอ่ออายก็จ้ะคะก็ได้เห็นคนที่เขามีความทุกข์แล้วเขา ถามว่าทำไมยิ้มได้ทั้งวันทั้งที่เหมือนอเหมือนเราล็อกแขนอะไรางี้เวลาต้องจำเป็นต้องไปช่วยเวลาที่มีคนต้องการความช่วยเหลือก็บอกว่าก็รักษาใจคะแล้วเขาก็ถามที่นี่มีวัดไหมเหมือนเขาดู walk for peace อค่ะลูกก็เลยบอกแนะนำไปว่าที่วัดมีปฏิบัติธรรมสำหรับต่างชาติก็ได้มีโอกาส ช่ยเหลือเพราะามาถามด้วยน้ําตาด้วยแบบเหมือนมีความทุกข์มากเลยเจ้าค่ะและก็ได้มีโอกาสแ น, นะนําำต่างชาติหลายๆคนไปก็บอกให้เมนชั่นชื่อหนูไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้อ่าช่วยได้ง่ายขึ้นแนะนําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่วัดก็จะถ้าไม่มีคนรู้จักก็จะ ค่อนข้างจะสกรีนคนหน่อยอจ้าค่ะหลวงพอ่อเพราะว่าบางทีก็มีพวกสแกมเมอร์พวกอ่ามาที่วัดนี่ถึงขั้นอ่มาประชิตตัวพระอาจารย์ที่วัดเลยเจ้าค่ะก็ต้องระวังพวกหนูไปก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะต้องมีการล็อกประตูเดี๋ยวหนูจะไปไอยู่วัดอีกสีวันจ้าค่ะหลวงพอ่อโอเคอยู่บ้าน <All right. S 2> ก็ยังปฏิบัติจ้าค่ะ ความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้หนูมีความทุกข์เลยเจ้าค่ ะ, ะดีมากพ ร, มพร้อมเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุกลับขอบพระคุณในทำคำสั่งสอนที่ทำให้หนูได้พัฒนาขึ้นตามลำดับสิ่งใดที่ยังต้องแก้ไขก็มันพิจารณาแก้ไขอยู่อย่างสม่ำเสมอเจ้าค่ะหลวงพ่อดีมากสาธุขอบพระคุมเจ้าค่ะสาธุเจนิงกนิงตอ นี่คนสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างน้านชายรู้สึกต่อขึ้นเยอะแล้วนะมีเสถียร<ฆ>ภาพดังดีขึ้นนะค่ะพระอาจารย์พูดเก่งมากตอนนี้มาเขาว่าไม่นานก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ดีนะค่ะรู้รู้ภาพขึ้นเยอะค่ะพระอาจารย์อืมเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าหรือไม่ไ ใช่ค่ะพระอาจารย์พิเศษด้วยนะเขาเคยสมาธิสั้นนะคะพรอาจารย์อเอันนี้อีกะนะเป็นเป็นก็จะ เ, เป็นปกติแล้วนะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่พูดเมื่อสามสา ม, สามปีสองสามปีอะค่ะพรอาจารย์พอมาฝึกพูดก็คือจะเร็วหน่อยแต่ก็คือจะมีแบบพิเศษของเขา oh. อ่าเขาจะเก่งเรีน ในแบบของเขาอะนะคะบางอย่างนะคะพระเจ้านี่กี่ขวบแกี่ขวบแล้วเจ็ดขวบค่ะพระเจ้าแล้วเรียนโรงเรียนปกติแล้วเรียนเรียนโเรียนพิเศษอปกติค่ะเพราะว่าไม่ให้ไม่ให้เรียนอเอค่ะคือให้เข้ากับปกติหมดเลยแล้วก็เป็นปกติเรียนอย่างเข้าได้ค่ะเข้าได้แต่เพียงแค่ว่าช้าช้าในบางเรื่องแต่ว่าพอเขาเร็วเขาก็ไปของเขาเร็ว ไ ม, ไม่ไม่ไม่ซีดีครับคกูเขารู้รู้รค่ะพระอาจารย์เพราะว่าต้องอ่าคุยกับทางโรงเรียนแล้วก็อาทางบ้านด้วยนะ ค, ะคะ่ะพระอาจารย์แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือตอนนั้นเนี่ยอ่าเห็นเขาแล้วก็คือเอามาอยู่กับกับไอ้กับหนูก็คะ่ะเราก็บอกว่าเขาสมาธิสั้นเราก็ต้องแก้ด้วยสมาธิในตอนนั้นที่ที่พาเข้าไป ค, ะ ค, ะคะ่ะใตาจารย์ ก็ไม่ค่อยจะนิ่งแค่พอไปเบ่อยๆก็คือรู้หน้าที่แล้วก็ตอนนี้เหมือนเหมือนปกติอ่ะค่ะอาจารย์จะไม่ไม่อะไรมากครับพอมาถึงบ้านก็อ่ะมีการมากก็จะรีบรีบมีอะไรก็จะรีบทําแล้วก็ชอบช่วยจะช่วยเหลือค่ะอาจาย์ใช้ง่ายพอถึงวันพักก็บอกว่าอเอาแจกันไปขึ้นนิ้วพระโอเคเขาก็รีบวิบ่งรีบทํารีบอะไรให้เรียบร้อยแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าจากค่อนข้างที่จะเร็วอะค่ะอาจารย์ แต่รู้เรื่องขึ้นเยอะเนี่สเตเนี่ยเป็นปัญญาวิเศษนะะดีกว่ากินกินยาอย่างต่างค่ะก็ก็กินบ้างก็กินค่ะพระอาจารย์แต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเยอะตอนนั้นก็ไม่ได้ให้กินเยอะหมอกบอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรเยอะเพียงแค่ว่าพ่อกับแม่เขาอ่ะเลี้ยงเลี้ยงผิดอ่ะค่ะพระอาจารย์ให้เขาดูโทรศัพท์กับเด็กนะคะพระอาจารย์ทำก็เลยแบบว่าเออเขาก็เลยกลายเป็นแบบนี้ แต่ทีนี้พอเห็นเราก็ว่าเขาไม่ปกติแล้วไม่พูดไม่อะไรแต่ตอนนี้เนี่ยพูดพูดเริ่มเก่งแล้วก็พูดมากด้วยค่ะาาอาจารย์พูดพูดเยอะพูดเยอะเหมือนว่าไม่ได้พูดนานก็เลยต้องพูดเยอะขึ้นค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวก็รู้เรื่อง <Okay. S 2> สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเขาเป็นคนรู้จักที่จะให้อพอหลังจากฟังธรรมเสร็จเขาก็บอกว่ามีขนมปังไหม ไม่ต้องไปให้อาหารปลาค่ะไม่ให้ขนมปังปลาขนมปังลิงกันอะไรอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์มันจะเป็นแด็กคนนั้นคนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเด็กฝึกสอนาาเด็กๆง่ายกว่าตอนที่มันโตขึ้นมาแล้วใช่ครับพระอาจารย์ก็พยายามบอกเขาให้ะระลึกถึงถึงสิ่งที่ที่หนูทําอยู่ตลอดเวลาอไอย้ยค่ะพระอาจารย์ก็คอยบอกเขาว่าตลอดค่ะ ก็ <Okay. S 2> ไม่มี อ, อะไรมากครับอาจารย์ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะพอาจารย์โอเคสาธุอาจารย์พย<ค>ระอ<ค>าจารย์จะหมดแนละ้วคำถาคุณลาะตอมีคํคำถามมีงคำถามคุณลาะกราบนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทาง facebook และ youtube เจ้าคะ่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับมีเพื่อนแนะนำว่าทุกเช้าเมื่อตื่นขึ้นมา ให้บอกกับตัวเองว่าวันนี้เป็นวันที่ดียังลุกได้กินได้นอนได้การคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับหรือควรจะคิดอย่างไรครับก็ดีนะยังมีลมหายใจก็ถือว่าดีแล้วนะคำถามต่อไปถ้าเราเจ็บเราไม่ควรไปจดจ่อกับสิ่งที่เราเจ็บ ควรไปจดจอ่อกับพุโทโธหรือสิ่งอื่นแทนเพื่อเบี่ยงเบนความเจ็บนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราไม่ไม่รู้สึกทรมานกับความเจ็บถ้าเราไปดูความเจ็บอาจจะเกิดความอยากให้มันหายเจ็บแล้วมันไปสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานั่นถ้าเราถ้าเราดึงมาดึงใจมาอยู่กับพุโทโธได้เราก็จะลืมเรื่องความเจ็บไปแล้วความเจ็บก็จะรู้สึกเบา าากไทอมคำถามสุดท้ายจากคุณเจษ ด, ดาพรกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราเป็นผู้บริหารเราต้องไปปรับเปลี่ยนคนอื่นเพื่อให้องค์กรพัฒนารู้สึกไม่สบายใจค่ะเพราะไม่มีใครชอบปรับเปลี่ยนตัวเองเราจะไม่ยุ่งกับเขาก็ไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ควรวางใจอย่างไรคะ ก็ทัองวางใจอุเบกขาไปทั้งหน้าหน้าที่ของเราไปคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีเลยก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ